วันนี้ก็เซสชันสุดท้ายของปีพวกเราก็เป็นเหมือนอคนไข้โลกจิตโลกจิตมหาหมอมหาจิตแพทย์เดี๋ยครั้งให้จิตแพทย์แนะนำวิธีรักษาจิตใจไม่ให้พุงซ่าไม่ให้เครียดไม่ให้ทุกข์ไม่ให้กังวล ไม่มีจิตแพทย์ที่จะดีเท่ากับพระพุทธศาสนามัางไทยคนเรียนจบจิตแพทย์มาจึงมีธรรมะกินไม่ค่ได้คนไปหาพระมากกว่ า, าไปหาจิตแพทย์เวลาไม่สบายใจก็ไปหาพระเข้าวัดไปภาวนาไปทำกิจกรรมทางศาสนาแต่ประเทศที่เขาไม่มีความความศรัทธานในศาสนาเขาก็จะ อาชีพจิตแพทย์นี่ก็จะขายดีขายดีเพราะคนก็ไม่มีที่พึ่งเขาไม่เมื่อก่อนเขาไม่ดีสาสนาเป็นที่พึ่งเขาก็เลยต้องไป ห, หาจิตแพทย์แทนเราต้องเสียเงินเสียทองว่าช่วงนึงเขาคิดเป็นหลายพันบาทเียแต่ไปนอนให้ไปนอนแล้วก็ระบายคลอบทุกข์ในใจให้จิตธรรแพทย์เขฟังจิตธรรแพทย์เขาแนะนำว่าทำใจให้สบายแล้ว ถ้านอนไม่หลับก็เดี๋ยวเอายานอนหลับไปกินจิตแพทย์ก็สอนแนแนวเดียวกันเพียงแต่ว่าอาจจะไม่ลดเท่าของทางการสมองคุณผู้ชเราก็รู้ว่าความเครียดมันก็เกิดจากความความโหยงความอยากบางทีบางเสียงบางอย่างเราก็ทำอะไรไม่ได้ ก็ต้องทาใจทําใจได้แล้วก็จะสบายทําใจยอมรับกับความจริงความจริงของชีวิตเรานี้มันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นๆลงๆบางวันก็สุขบางวันก็ทุกข์บางวันก็สบายบางวันก็เหนื่อยบางวันก็ มีอุปสร์ว่าบางวันก็ราบรื่นบางวันก็มีคนคล้หาว่ากล่าต่างๆบางวันก็มีคนสรรเสริญยังยอบางวันรายได้ก็มามากบางวันรายได้ก็มาน้อยเรื่องเหล่านี้เป็นโลกกระทที่พูะเจ้าสรงสอนให้รู้ทัน แลอย่าไปลงยุติดลกกระทัแปดมีอยู่สี่คูออ่การเจริญราบเสื่อมลาบการเจริญยศเสืยย่ อ, อรรมยศการสันนิษฐานนิทาออความสุขความทุกข์เป็นของคู่กันมาด้วยกันเป็นเหมือนเหรียญที่มีสองด้านถ้าอยากจะได้ ด้านหนึ่งก็ต้องอีด้านก็ได้ของแถมมาด้วยเป็นของแถมมาถ้าอยากจะเจริญรากก็ต้องมีการเสรียมรากตามมาถ้าอยากจะให้เจริญยศ ก, ก็มีการเสรียมยศตามมาถ้าต้องการสรรเสริญก็จะต้องมีลินทางตามมาถ้าต้องการสุกก็จะมีทุกข์า ม, มาถ้าไม่ต้องการ ก็จะไม่มีทุกไม่มีความเสริมราบเสริมยึดยินทาต่างมาคือคาว่าไม่มีหมายคำว่าไม่ยินดีทั้งสองส่วนส่วนเจริญก็ไม่ยินดีถ้าไม่ยินดีส่วนเจริญส่วนเสริมก็จะไม่เดือดร้อนถ้ายินดีก็จะเดือดร้อนเพราะว่าอยากจะให้เจริญอย่างเดียว ไม่อยากจะให้เสื่อมแต่ความจริงว่าในของโลกแห่งอันิจจังทุกขงังอนัตานี้มันเป็นไปไม่ได้มันเป็นของที่จะต้องเกิดมีเจริญก็ต้องมีเสื่อมเป็นอนัตตาคือเราไม่สามารถที่จะไปสั่งมันให้เจริญอย่างเดียวได้ไม่สามารถป้องกันแม้มันเสื่อมได้ ไม่สามารถยับยังการ น, น, น, นินทานินทาขรหารนินทาของผู้อื่นได้ mm hmm. ถ้าเราอยู่ในโลกเราต้องรู้ทันพระพุทธเจ้าเป็นโลกาวิถีโลกาวิถีแปลว่าผู้รู้โลกรู้ทันโลกรู้ทันโลกกระทำแปดนี้เองผู้ที่รู้ทันโลกกระทำแปก็จะไม่หลงยึด ต, ติดกับโลกกระทำแปด แต่สัมผัสรับรู้แต่ไม่ซึมซาบเข้าไปในใจเหมือนห ย, ยน้ำบนใบบัวหยดน้ำบนใบบัวจะไม่ซึมเข้าไปในใบบัวเพราะใบบัวนี้ไม่ไม่ดูดซับน้ำฉันใ้จิตของผู้ที่รู้ธรรมโลกธรรมแปลก็เป็นเช่นนั้น ไม่มซึมราบไม่ดีออกดีใจเวลาเกิดความเจริญไม่เสียใจเวลาเกิดการเสื่อมไปเปลี่ยนไปนี่คือการรักษาจิตใจให้ไม่เคลือดไม่ทุกไม่วิตกไม่กงังวลไม่หวาดตัวกับสภาพความเป็นจริงต่างๆที่เกิดขึ้นในโลกนี้ ยินจะเป็นที่จะต้องภาวนาเพรการภาวนานเป็นการสอนจิตสอนจิตให้รู้ทันสอนจิตให้ปล่อยวางการรู้เฉยๆจากการได้ยินได้ฟังนี้สำหรั บ, บางท่านบางแล้วอาจจะปล่อยวางได้เลยสแสดงว่าจิตมีกำลังกำลังปล่อยวางได้เื่อมีอุเบกขามีสมาธิ พอรู้ความจริงว่าโลกธรรมแปดนี้เป็นทุกข์ก็จะปล่อยวางได้ ท, ทันทีแต่สำหรับผู้ที่ฟังแล้วยังปล่อยวางไม่ได้ยังมิตกกังวลกับความเสื่อมทางลายตยศสรรเสริญความสุขก็จะมิตก เวลาคิดถึงเวลาที่ต้องเสื่องจากลาหยกเสนเสริญศุกก็จะเกิดความหวาดลัวขึ้นมาทั้งๆ ท, ที่ได้ยินได้ควาความจริงแต่ยังไม่สามารถทำใจให้เฉยได้ให้รู้เฉยเฉยให้รับรู้เฉยเฉยยิงต้องภาวนาการภาวนาก็คือการดึงใจให้ออกจาก ลาบยศสารเสวนสุขทางตาหูจมกเล่นกายนี้ผู้ที่ต้องการที่จะอยู่ในโลกธรรมแบบต้องไม่ติดกับลามยตศสรรเสริญสุขทางตาหูจมกูกเล่นกายการที่จะไม่ติดก็ต้องอยู่ห่างไกลจากลาบยตศสารเสริญสุขเช่นไปเปรต ว, วิเมฆอยู่ตามสถานที่สงบสละ ทางกายจากแสงสีเสียงต่างๆทางกายจากเรื่องรายุสัสนิเสธแล้วก็พยายามสู้กับความอยากที่ยังมีอยู่ภายในใจคือกามาชั่ท่าความอยากที่จะกลับไปหาเรื่องนุสันนิเกลับไปหาแสงสีเสียงรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆนะครับ ไปภาวนาเป้าหมายก็คือการที่จะปล่อยวางราภยศเสริญสุขนั่นเองถ้าปล่อยได้แล้วเวลาราภยศเสริญสุขเสื่อมหรือเปลี่ยนไปเราจะไม่เป็นปนัญหาใดถ้าปล่อยไม่ได้เวลาเกิดความเสื่ขึ้นมาก็จะเกิดความเศร้าโศกเสียใจเกิดความทุกข์ทรมานใจขึ้นมา นี่คือวิธีสอนใจให้ฉลาดให้รู้ทันโลกกระเทือนตาแล้วก็ปล่อยวางต้องปล่อยวางด้วยการปฏิบัติผู้ที่ปฏิบัติแล้วแล้วพอได้ยินได้ฟังอย่างที่พระเจ้าได้ทรงแสดงพระธรรมเทศนาให้แก่พระปัญจวัคคีในครั้งแรกพระปัญจวัคคีหนึ่งในพนระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรม เห็นความจริงว่าสิ่งใดมีการเกิดมีการเจริญสิ่งนั้นย่อมมีการดับมีการเสื่อมไปเป็นธรรมดาท่านก็ปล่อยวางได้ทันทีเพราะท่านมีกำลังจิตใจท่านมีอุบเบกขาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าขาดปัญญาสอนให้รู้ว่าสิ่งใดเป็นความทุกข์ สินไหนต้องปล่อยวางแต่พอได้ยินได้ฟังที่พระเจ้าทรงทรงเทศสอนก็ปล่อยวางได้ทันทีจึงอาจจะเป็นที่สงสัยสําหรับบุคคลที่ยังไม่มีสมาธิว่าทำไมก็ฟังทำแล้วบรรลุทำก็ได้ส่วนตนทำไมฟังแล้วบรรลุไม่ได้นั่นก็เพราะว่า จ, จิตใจของตนยังไม่มีอุเ็กขาธรรมยังไม่มีความสงบเป็นจำเป็นที่จะต้องจเจริญสมถะภาวนาเพื่อความสงบก่อนถ้าจเจริญแล้วปัญญาที่มีอยู่แล้วนนี้ก็จะสามารถใช้ในการสอนใจได้เลย นี่คือเรื่องของความสำคัญของสมถะภาวนาการที่เราจะไปวิปัสสนาภาวนาได้ต้องไปศึกษาให้รู้แจ้งเห็นจริงของสภาวธรรมทั้งหลายเช่นโลกธรรมแปะนี้ถ้าเราไม่มีสมาธิเราไปศึกษามันก็ทำอะไรไม่ได้รู้แต่ปล่อยวางไม่ได้ รู้แต่ยังต้องมีสิ่งเหล่านั้นอยู่ยังต้องมีลากรสสนิสัยอยู่แล้วก็อาจจะเกิดความหนงคิดว่าตนเองรู้แล้วเข้าใจแล้วแต่ในขณะเดียวกันก็ยังติดอยู่กับลากรสสนิสัยศพอยดังนั้นการภาวนาการปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้จิตใจ สงบดับความทุกข์ทั้งหลายไนดะ้นั้นจาเป็นจะต้องมีสมถะภาวนาก่อนการที่จะมีวิปัสสนาภาวนาถ้าไม่มีสมถะไปเจรวิปัสสนาก็จะเป็นวิปัสสนูไปรู้แล้วก็ทําไม่ได้ไหวไม่ได้ตรงไม่ได้วางไม่ได้แล้วก็ไปหลงคิดว่าตนรู้แล้วบรรลุแล้วเข้าใจแล้ว แต่ความเข้าใจนั้นเป็นความเข้าใจในทางจินตนาการไม่ใช่เป็นความเข้าใจที่เกิดจากการอยู่ในเหตุการณ์แล้วก็รวาวางเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งทั้งส่วนที่จเจริญและส่วนที่เสื่อมได้ ในยุคนี้สมัยนี้มักจะมีคนสอนให้ข้ามสมาธิกันไปหรือไม่ปฏิบัติสมาธิกันเพราะเห็นว่าไม่จำเป็นเพราะว่าทำไม่ได้ยากจะนั่งภาวนาทีไรนั่งไม่ได้พอจะเริ่มนั่งหลับตาก็เกิดอาการอิดอัดขึ้นมานั่นก็เป็นเหมือนกับคนที่ต้อง การหายใจเวลาดำน้ำจิตเวลาที่จะภาวนามันก็เหมือนไปดำน้ำหรือจะไม่ได้อากาศหายใจอากาศที่เคยหายใจก็คือรูปเสียงกลิ่นรสปุถัพภะและความคิดปรุงแต่งพอต้องยุติการรับรู้รูปเสียงกลิ่นรสปุถัพภะรับรู้ความคิดปรุงแต่งก็เกิดอาการเติมขึ้นมาเกิดอาการเครียดขึ้นมา ทำให้ไม่สามารถที่จะนั่งภาวนาได้นั่นก็เป็นเพราะว่าไม่มีเครื่องมือที่จะทำให้ใจไม่เครียดกับการนั่งสมาธิเครื่องมือที่จะทำให้ใจไม่เครียดกับการนั่งสมาธิก็คือสตินี่เองถ้าเราจะรันสติอยู่เรื่อยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆวบคุนความอยากอยู่เรื่อยๆ ความอยากที่จะคิดความอยากที่จะหารูปเสียงขีดรถกาจ ะ, จะอ่อนกำนังลงไปถึงแม้ว่าจะไม่หยุดแต่มันก็ทำให้ความเครียดีมันลบบางลงไปได้พอเวลามานั่งสมาธิก็จะไม่รู้สึกเครียดยังนั่งก่อนที่เราจะนั่งสมาธิทาใจให้สงบได้ เราจาเป็นจะต้องจเจริญสติให้ได้ก่อนความคลายความอยากในรูปเสียงกลิ่นลดผ่อนคาลายความอยากคิดปรุงแต่งให้มันน้อยลงไปให้มันเบาลงไปเช่นการบริกรรมพุทธโธพุทธโธถ้าเราอยู่กับการบริกรรมพุทธโธได้อย่างต่อเ น, นื่องเราก็จะไม่สามารถไปคิดถึงเรื่องรูปเสียงกลิ่นลดโภชณาธิราได้ ไม่สามารถปรุงแต่งเรื่องนั้นเรื่อง น, น, น, น, นี้ได้พอใจไม่ทิไม่มีความอยากในลูกเสียงจิ่นนดโภตปะะไม่มีความอยากที่จะเพิปรุงแต่งใจก็จะรู้สึกเย็ยนสบายใจจะว่างถึงแม้ว่าจะไม่นิ่งจะไม่สนกแต่ใจจะเบาจะสบายแล้วเวลาจะนั่งสมาธิก็จะทำได้อย่างง่ายดายจะไม่รู้สึกอึดอัดจะไม่รู้สัก เียบางคนพอเริ่มนั่งปั๊บนี่เจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ขึ้นมาทันทีแต่กานั่งดูภาพประยนต์นี้นั่งดูได้ทั้งคืนนั่งคงบินไปต่างประเทศกี่ชั่วโมงก็นั่งได้แต่ก็ใมานั่งสมาธิเพียงห้านาทีนี่นั่งไม่ได้ะก็เพราะว่าต้องใจถูกควบคุมบังคับไม่ให้คิดนั่นเอง พอไม่คิดมันก็เลยเหมือนกับคนที่ดำน้ำไม่มีอากาศหายใจก็จะดำได้เพียงไม่กี่นาทีก็ต้องโผล่ขึ้นมาหายใจจิตที่ไม่มีสติคอยกำหลับคอยตัดกำลังของตันหาความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสความอยากคิดปรุงแต่งมันก็เป็นเหมือนกับคนที่ดำน้ำ นั่งได้ไม่กี่นาทีก็ทนนั่งไม่ได้นะตอนที่นั่งได้ยาานนี่ก็แสดงว่าเขามีสติหรือไม่มีสติก็ได้คือคนนั่งหลับอย่างนี้เรียกว่าคนไม่มีสติบางคนนั่งได้เป็นชั่วโมงแต่นั่งหลับไม่ได้นั่งงไม่ได้นั่งอย่างมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวอยู่ตลอดเวลา ตนั่งไปสักห้านาทีสินาทีก็คอพับไปหลับไปแล้วก็เอกสักครึ่งชั่วโมงก็<อ>ก็เอยนงยศีรษะขึ้นมาแล้วก็คิดว่าตนเองนั่งอยู่ในสมาธินีก็ร่างแบบไม่มีสตินั้นสตินี้จึงเป็นธรรมที่สาคัญที่สุดในการรักษาโรคจิตเป็น เป็นยาขนานแรกที่จะต้องรับประทานหมอทุกคนต้องสอนหรือต้องมอบยาขนานนี้ให้กับคนไข้ก่อนก่อนที่จะรับประทานยาขนานอื่นก็ต้องรับประทานยาขนานนี้ก่อนคือสติสตินี้เป็นยาที่สาคัญเพราะถ้าไม่มีสติแล้วก็ไม่สามารถใช้ยาชนิดที่สองและที่สาม มารักษาไม่ได้เหมือนกับเวลาที่หมอจะผ่าตัดคนไข้หมอต้องลงยาสลบก่อนลมยาคนไข้สลบให้ไม่รับรู้ก่อนถ้าเวลาผ่าตัดถ้าคนไข้ยังรู้สึกตัวเดี๋ยวคนไข้จะต้องดิ้นดิ้นแล้วก็จะไม่สามารถผ่าตัดได้จำได้ ใจก็เหมือนกันเวลาที่เราจะทำใจให้สงบทําใจให้ฉลาดนี้เราต้องมีสติก่อนต้องควบคุมติเลตันหาตัวที่จะสร้างความทุงสร้างสร้างความหึดอัจใจในขณะที่นั่งสมาธินี้ดังนั้นจึงควรที่จะจารย์สติอยู่เรื่อยๆ ทวันและเวลาถ้ายังมีความรู้สึกอืดอัอยู่ก็ให้ท่องพุโทโธพุธโทโธหรือให้สวดมนต์ไปก่อนเพื่อเป็นการผ่อนคลายความอยากก็ได้ถ้ายังไม่สามารถท่องดูลมหายใจเข้าออกหรือท่องพุโทโธคำเดียวได้อยากจะสวดมนต์ไปสัพระยะหนึ่งก่อนก็ได้สวดแบบนั่งสมาธิคือสว ด, ดในใจ นั่งผัสสมาแล้วก็สวดไปภายในใจันทับตาเหมือนกับเรานั่งสมาธิเพียงแต่แทนที่จะใช้พุทธโธเราก็ใช้บทสวดมุต์เป็นอารมณ์แทนไปก่อนส่วนไปจนจิตรู้สึกเย็นสบายหรืออยากจะหยุดสวดก็ค่อยมาดูลงหายใจเข้าออกต่อก็ได้หรือจะใช้พุทธโธคำเดียวก็ได้แต่ควรจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งจ้า ดีกว่าจะเอาลมอย่างเดียวหรือจะเอาพุโทโธอย่างเดียวก็ทำไปเพราะว่าถ้าเราใช้พุโทโธคู่คู่ไปกับลมบางครั้งถ้ามีความคิดแทรกเข้ามาเราไม่สามารถที่จะหยุดความคิดที่แทรกเข้ามาได้ถ้าเราไม่บริกรรมให้เร็วขึ้นแต่ถ้าเราบริกรรมให้เร็วขึ้นลมไม่สามารถที่จะหายใจ เร็วตามการบริกรรมได้เราก็ทิ้งลมไปก่อนเอาการบริกรรมอย่างเดียวบริกรรมให้ถี่ขึ้นเพื่อที่จะได้กังไม่ให้ความคิดปรุงแต่งแทรกเข้ามาถ้าไม่มีความคิดปรุงแต่งเราก็ดูลมหายใจเขาออกอย่างเดียวไปดูไปจนกว่าลมจะหายไปเราจิตก็จะมวมเข้าสู่ความสงบความสงบต่อไป ขณะที่รู้ว่ารลมหายไปก็ไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องหารมไม่ต้องคว้าหาลมให้รู้ว่าไม่มีรมก็รู้ว่าไม่มีรมก็ให้อยู่กับความไม่มีรมไปอยู่ให้รู้เฉยๆไปให้สั่งแต่รอรู้ไปแล้วเดี๋ยวจิตก็จะวูบครอบสู่ความสมกางกอย่างเต็มที่นี่คือการทําใจให้สงบ เอาใจสงบแล้วจะมีความสุขมากมีความสุขมากกว่าความสุขที่ได้จากรูปเสียงกลิ่นรสปริฏปะมีความสุขมากกว่าที่ได้จากนาบยศสรรเสริญเมื่อเรามีความสุขที่ดีกว่าที่เหนือกว่าเราก็สามารถที่จะละความอยากได้ความสุขจากนาบยศสรรเสริญความสุขจาก รูปเสียงกินก่นรสโผฏฐาได้เราก็จะสามารถยุติหรือละความอยากคือการละตัณหาได้สามารถละภวะตัณหาได้สามารถวิปวิภาวะตัณหาได้เมื่อเราละตัณหาทั้งสามได้แล้วใจของเราก็จะไม่มีความทุกข์อีกต่อไป เมื่อมันมีความทุกข์ใจก็จะมีแต่ความสงบมีแต่ความสุขอยู่ตลอดเวลาเป็นอาการวิโกเป็นปรามังสุ ข, ขงังนี่คือผมที่จะได้จากการเจริญสติเจริญสมถะภาวนานะั้วิปัสนาภาวนาวิปัสนาก็คือการสอนใจให้รู้ว่า ไม่มีอะไรที่จะดีกว่าความสุขที่ได้จากความสมอนี้ความอยากได้ความสุขอย่างอื่นจะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมา เ, เพราะเป็นภาวตปัหาเป็นวิภาวตปัหาเป็นการว่าัหาถ้ามีการวตาัหาภาวตปัหาวิภาวตปัหาขึ้นมาเมื่อไหร่ใจก็จะทุกข์ขึ้นมาเมื่อ น, นั้นแต่ถ้าใจมีวิปัสสนาสอนให้รู้ว่าสิ่งต่างๆที่ ที่ใจอยากก็ได้นั้นเป็นทุกข์มากว่าเป็นสุขเพราะว่ามันไม่เทียมมีเกิดมีดอกมีเจริงมีเสือ่อมเช่ลนลาบยกสารเสริมลูกเสียงเกี่ยวโนดโภตพระมีเจริญมีเสือ่อมเวลาจเจริญก็สุขแต่เวลาเสื่อมก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากมีอย่าไปเกี่ยวข้องอย่าไป อยากได้ลาบยกสรรเสริญอยากได้รูปเสียงกิริลดูโฉมพระเพราะว่าเราไม่สามารถไปสั่งให้เขาเจริญได้อย่างเดียวต้อง เ, เป็นอนัตตาเราไม่อยู่ภายใต้คําสั่งของเราถ้าเราเห็นด้วยปัญญาเราก็จะหยุดการวตันหาภาวตันหาวิภาตันหาไนี่คือหน้าที่ของวิปัสสนา เรื่องของปัญญาไล่คอยเตือนใจสอนใจว่าทุกสิ่งทุกอย่างเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเป็นทุกข์เพราะว่าเป็นทุกข์ในอริยสัจสี่ไม่ใช่ทุกข์ในในในขันเช่นเวทนาทุกขเวทนานี้ทุกขเวทนานี้ไม่เป็นปัญหาสําหรับใจปัญหาสำหรับใจนี้คือทุกขที่เกิดจากสมุทยัย คือการมตัรหาภาวตฐานะวิภาวตัานาทุกขเวทนานี้เกิดที่ร่างกายมีร่างกายเป็นที่ตั้งเช่นเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้เปื่อยก็จะเกิดทุกเวทนาขนาึ้นมาทุกเวทนานี้เป็นเวทนาเป็นหนึ่งในขันธ์ขันธ์ห้าเป็นอนิจจทุกขังอนัตตาเป็นสภาวธรรมที่ผู้ที่มีวิปัสสนาญาณ ม, มีปัญญา จะไม่เดือดร้อนเพราะจะปล่อยวางคือจะรู้เฉยๆจะไม่มีความอยากคือวิภาวตนหนาอยากให้ความเจ็บหายไปตามกันที่พูเวลาพูดถึงอนิจจังทุกขังโลหิตานี้ทุกขังนี่หมอน ถ, ถึงทุกในอริยาาสัจสีทุกที่เกิดจากความอยากสารประการคือการละตัะหาภวัตระหนาวิภวตระหนา ทุกนี้ดับได้เราดับได้ทุกพระรเจ้าดับแล้วพระอาลัยทั้หลายดับแล้วเพราะท่านละการละตัณหาภาวะตัณหาวิภวะตัณหาได้แล้วแต่ทุกขเวทนานี้ท่านดับไม่ได้เวลาที่รา่างกายท่านเจ็บไข้าได้ป่วยจุดของท่านก็ต้องสัมผัสรับรูบ้กับทุกขเวทนาเหมือนกับพวกเรานี้เล่าไม่ต่า ง, างกัตามการทรงที่กายของท่านไม่ทรมารไม่ทุก เพราะว่าใจไม่มีวิภวตปัญหาคือไม่มีความอยากให้ความเจ็บปัญหาไปหรื อ, อยากจะหนีจากความเจ็บนั้นไปใจเฉยๆสัตว์รับรู้เป็นอุเบกขารับรู้ปล่อยวางรับรู้ด้วยการปล่อยวางนี่คือแนวของการปฏิบัติเพื่อที่จะทําให้จิตใจของเา ไม่หวันหว่นไหวกับเหตุการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับเราเองหรือเกิดขึ้นกับสิ่งอื่นหรือผู้อื่นจะไม่เป็นปนัญหากับผู้ที่มีสมถาและวิปัสนาภาวนาผู้ที่จะมีสมถาและวิปัสนาภาวนาได้ก็จะต้องมีสติก่อนและผู้ที่จะเจริญสติได้ก็ต้องเป็นผู้ที่เปรีกบวิเว ผู้ที่ตั้งอยู่ในความสงบของกายและว่าจารคือมีมีสิ่ผู้ที่ยังมีสี่ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่สระาทรัพย์ต่างๆที่มีอยู่ได้เพราะถ้ายัางยึดติดกับทรัพย์ยังอาศัยทรัพย์สห บ, บับเป็นเครื่องมือให้ความสุขอยู่ก็จะไม่มีเวลาที่จะไปปิดเรี่วแรออกไปจเจริญสติได้ในการรักษาสีล นดนน้ังนั้นจึงต้องเรมต้นที่การให้ทานการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ไปก่อนถ้าจะเก็บไว้ก็เก็บเพียงแต่เพื่อที่จะไว้สำหรับดูแลร่างกายคือปัจจัยสีร่างกายนี้ต้องมีปัจจัยสี่ไม่ว่าจะเป็นนักบวชหรือเป็นาละวา นักปฏิบัตินี้สามารถเป็นได้ทั้งนักบวชและเป็นคราวาถ้าเป็นคราวาก็ต้องมีปัจจัยที่จะปัจจัยสี่ที่จะดูแลรักษาร่างกายก็จะต้องมีทรัพย์บ้างไว้สนับเพื่อที่จะใช้จ่ายในกรณีนี้แต่ถ้าเป็นนักบวชนี้ก็ไม่ต้องมีทรัพย์เลยเพราะมีผู้ที่มีจิตศรัทธาพร้อมที่จะสนับสนุนในเรื่องปัจจัยสี่ให้แก่นักบวช การได้ทางนี้เป้าหมายก็อยู่ที่เพื่อไม่ให้ไปหาไม่ให้ไปหาทรัพย์เพื่อที่จะเอาทรัพย์มาเป็นเครื่องมือซื้อความสุขเพราะถ้าถ้ายังต้องใช้ทรัพย์เป็นเครื่องมือซื้อความสุขก็จะต้องเสียเวลากับ ก, ก, การไปหาทรัพย์เสียเวลากับ ก, ก, การใช้ทรัพย์เพื่อซื้อความสุขนอกจากไม่มีเวลาที่จะไปปรีิเว้ไปรักษาสินานสงเดินจรรยสติเพื่อจะได้ จเจริญสมถะแลาวิปัสสนาภาวนาตามลำดับต่อไปการให้ทานเป้าหมายที่แท้จริงก็อยู่ที่การหยุดการใช้เงินซื้อความสุขแต่เรายังให้ทานแต่ในขณะเดียวกันเราก็ยังใช้เงินซื้อความสุขยังหาเงิอนอยู่เราก็วนอยู่ในอ่างอย่างนั้การให้ทานนี้ก็เพื่อที่จะให้ยุติการใช้เงินซื้อความสุข ทุกครั้งที่เราจะเอาเงินนี้ไปซื้อความสุขก็เอาไปให้าทางแทนเราจะได้ยีเวลามาภานวนาได้เราจะได้ไม่อยากไปหาเงินมาเพราะถ้าทุกครั้งเราได้เงินมาแล้วเราเอาเงินไปให้คนอื่นนี้เราก็ไม่รู้จะไปหาเงินมาทำไมแต่ถ้าเราได้เงินมาแล้วเอาไปซื้อความสุขให้กับเราเราก็จะติดกับความสุขที่เราได้จากการใช้เงิน เราก็จะไปหาเงินเวลาเงินหมดก็ต้องหาเงินใหม่เพื่อที่จะมาซื้อความสุขหม่ดังนั้นถ้ามีเงินหรือ ไ, ได้เงินมามากกว่าที่เราจะต้องใช้กับการรักษาร่างกายาก็เอาไปให้คนอื่นเสียยอมีต็อตบตาความอยากได้เงินทองแล้วจะได้ไม่เสียเวลากับการหาเงินหาทอง กับการใช้เงินใช้ทองจะมีเวลาที่จะมาปลุกเสกภาวนาได้ไม่ว่าจะในรูปแบบของนักบวชหรือของคราวาสก็ได้การปฏิบัตินี้ไม่ได้ขึ้นอยู่ว่าอยู่ที่เพศอยู่ที่วัยอยู่ที่ว่าเป็นหญิงหรือเป็นชายเป็นคราวาสหรือเป็นนักบวชอยู่ที่การเจริญสติสมาธิและปัญญาหรือการเจริญสติ สมถะและวิปัสนาภาวนาเท่านั้นผลคือมัจผลนิพพานนี้เกิดจากการเจริญสติสมาธิผ่อนเจริญสติสมาธิปัญญาเกิดจากการเจริญสติสมถะและวิปัสนาภาวนาสมถะภาวนาก็คือสมาธิวิปัสนาภาวนาก็คือปัญญานี่คือ ทำที่เราจะต้องเจริญกันถ้าเราอยากที่จะดับความทุกข์ทั้งหลายที่มีในใจของเราให้หมดไปต้องดับด้วยตนเองเป็นอัตตาหิตอัตโนนาโถเพราะพระพุทธเจ้าดับให้เราไม่ได้พระสาวกดับให้เราไม่ได้ยาติสนิทมิสหายดับให้เราไม่ได้งา น, นี้เป็นงานเฉพาะตนเป็นงานที่จ้าต้องปฏิบัติตามลนพัง ผพ้่ปฏิบัติจริงๆแล้วจะไม่จะไม่ไม่ปฏิบัติกับใครไม่อยู่กับใครจะต้องอยู่คนเดียวถึงจะได้ผลถ้าต่างคนต่างมาเกาะกันมามาช่วยเหลือกันก็จะไม่ได้ช่วยตัวเองจะไม่ได้เข้าสู่ข้างในการจะปฏิบัตินี้เพื่อให้ดึงจิตเข้าข้างใน ไม่ให้อยู่ข้างนอกให้เข้าไปด้วยการเจริญสติการเจริญสตินี้เป็นการดึงจิตให้เข้าข้างในให้เข้าสู่ความสงบเพราะความสงบนี้แหละเป็นสวรระเป็นที่พึ่งที่แท้จริงไม่ใช่สาธรรนิการเพื่อนเพื่อนปฏิบัติเพื่อนเพื่อนปฏิบัตินี้เป็นถ้าจะเป็นที่พึ่งก็เป็นที่เพื่อชั่วคราวไม่เพื่อเพ่ที่ไม่สําคัญ ไม่มีก็ได้แต่ที่เพ่อที่สำคัญก็คือความสงบเพราถ้ามีความสงบแล้วจิตจะไม่หวั่นไหวกับสิ่งต่างๆจะไม่รับรู้เพราะว่าจิตเข้าสู่ความสงบแล้วจะไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสโผฏัพจะไม่รับรู้ร่างกายหรือถ้ารับรู้ก็จะไม่สนใจ ไม่มีอารมณ์กับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐะไม่มีลมไม่มีอารมณ์กับร่างกายร่างกายจะเป็นอย่างไรก็รับได้จะเจ็บทางนั่นปวดตรงนี้ก็รับได้ต้องเข้าข้าไหนถึงจะได้ถึงจะมีสาระมีที่พึ่มีพลังที่จะต่อสู้กับภัยต่างๆก็คือพิเดชหานี้เอง ายที่แท้จริงของใจไม่ใช่พายุไม่ใช่วันสิ้นโลกไม่ใช่สุรามิไม่ใช่แผ่นรินไหวายที่แท้จริงของใจก็คือการมรรตหานะภาวนฐานะวะิภาวนฐานะอย่างอื่นไม่สามารถที่จะถลมใจได้ไม่สามารถทำให้ใจทุกได้วันสิ้นโลกไม่สามารถทำให้ใจทุกได้ อายุใต้ฝนซึนามิแผ่นดินไหวไม่สามารถทําลายใจได้ไม่ทําให้ใจหวนไหวได้แต่สิ่งที่ทําให้ใจหวนไหวทุกได้ก็คือการละตัณหาภวัตัณหาและวิภวะตัณหาภัยแบบนี้ไม่มีใครที่จะป้องกันให้เราได้นอกจากเราต้องป้องกันด้วยตัวเราเองเพราะภัยเหล่านี้เราเป็นผู้ผลิตมันขึ้นมาเองไม่มีใารผลิตภัยเหล่านี้ขึ้นมา เราเป็นผู้ผลิตภัยมาให้กับใจของเราเองด้วยความอยากในการละตัณหาภวะตัณหาและวิภวะตัณหานี่เองคือไม่มีใครที่จะสามารถมาป้องกันภัยของเรานี้ได้นอกจากเราเองเราต้องเป็นผู้ยุติรอดับการะตัณหาภาวะตัณหาและวิภวะตัณหาให้ได้ถ้าไม่มีการละตัณหาภาวะตัณหาวิภวตัณหาแล้ว ก็จะไม่มีความทุกข์ใจต่อไปนี่แหละคือธรรมที่พระเจ้าทรงตัดรู้ก็คือพระอริยสัจสีที่ไม่มีใครรู้มาก่อนธรรมอ น, นี้ไม่มีใครรู้มาก่อนและไม่รู้ว่าวิธีปฏิบัติกับอริยสัจสีนี้ต้องปฏิบัติอย่างไรแต่พระพุทธเจ้าเป็นพระองค์เดียวที่รู้พระองค์ทรงจัดว่าทุกที่ทรต้อง ที่ทรงต้องศึกษาต้องรู้ว่าอยู่ที่ไหนพระองค์ก็ได้ศึกษาแล้วรู้แล้วว่าอยู่ที่ใจต้นเหนตุของความทุกข์ที่ทําให้เกิดความทุกข์นี้ก็รู้แล้วว่าต้องละและละได้แล้วนิโรธ ค, คือความดับทุกข์ที่จะต้องทําให้แจ้งก็ทรงทําได้แจ้งแล้วมรร ที่เป็นเครื่องมือสำหรับการใช้ในการดับทุกข์มักก็คือสติสมาธิปัญญานี้ก็ส่องได้เจริญอย่างเต็มที่แล้วเมื่อนักเจริญได้เต็มที่แล้วก็จะมีพลังที่จะละตัณหาที่เป็นสมุทัยต้นเหตุของความทุกข์ใจได้ก็ได้เจริญอย่างเต็มที่แล้วนี่แหละคือกิบของพุทธศาสนิกชน คือเก็บในอริยสัจสีนี่เองคือต้องต้องรู้ว่าความทุกข์นั้นอยู่ในใจเราความทุกข์ความไม่สบายใจนี้อยู่ในใจแล้วก็เกิดจากความอยากกานจะทำให้ทุกข์ในใจนี้ดับไปได้ก็ต้องดับด้วยสติสมาธิและปัญญาไม่ได้ดับด้วยการไปหาราบลดสรเสริญ หาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดังที่คนเราในโลกนี้ทํากันเวลาไม่สบายใจก็ออกไปใช้เงินกันไปเที่ยวกันความทุกข์ใจก็เหมือนกับว่าหายไปชัว่วคราวแต่พอกลับมาบ้านความทุกข์ใจนั้นก็โหนกลับขืนมาถ้ายังมีความอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อยู่ดังนั้นวิธีแก้ ความทุกข์ดับความทุกที่แท้จริงต้องแก้ด้วยธรรมด้วยมักมรรที่ม่อง่แปลกองค์ที่สำคัญก็คือสติสมาธิและปัญญาสัมมาสติสัมมาสมาธิส่วนสัมมาปัญญาก็คือสัมมาทิฏฐิและสัมมาสังกับโปเป็นองค์ประกอบของปัญญาสัมมาทิฏฐิคือความเห็นชอบสัมมาสังกับโปก็คือความคิดชอบ คิดให้ตรงกับความจริงเห็นกับให้ตรงกับความจริงเป็นว่าทุกข์นั้นอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่กายเห็นว่าทุกข์จะลับได้ต้องดับด้วยมรรคนี่คือสมามะทิฏฐิใจก็จะต้องหยุดยุติดความคิดในเรื่องของความอยากไม่คิดในทางไปในทางความอยากคิดไปในทางความไม่อยากไม่อยากไม่อยาก มีรูปเสียงเกิ่นวรถไม่อยากมีอยากฟังไม่อยากไม่มีไม่ไม่เป็นถ้ามีปัญญาก็จะเป็นอย่างนั้นทุกข์ก็จะดเพราะจะละสมุทัยได้ <c oughs> นี่แหละคือเกียรติของพุทธศาส น, นิกชนที่แท้จริงภาวนาหรือปฏิวัติที่ต้องการได้เห็นก็ให้เห็นตัวนี้ไม่ได้ให้ไปเห็นนางฟ้าเทวดาไม่ได้ให้ไปเห็นนรกสวรรค์ ไม่ได้ไปเห็นพบชาติที่ผ่านมาไม่ได้ไปเห็นอดีตเห็นอนาคตสิ่งวันนี้เห็นแล้วมันไม่ดับความทุกข์ภายในใจมันไม่ทำให้เกิดปัญญาความฉลาดที่จะรู้ทันความทุกข์รู้ทันโลกต้ง ร, รู้ที่อริยสัจสีนี้ดังนั้นเวลาเราภาวนาเราเห็นอะไรอย่าไปตื่นต้นดีใจ อยากไปหลงและอยากไปตามอยากไปอยาก ร, รู้อยากเห็นแบบนั้นสิ่งที่เราต้องการเวลาที่เราทำสมาธิภาวนาก็คือความสงบความว่างถ้ายังมีความมีมีรูปนี้อะไรต่างๆครับปรากฏให้มาให้เห็นนี้อยากตามรู้อยากตามไปให้กลับมาที่การภาวนาต่อถ้าใช้พุทโธก็พุทโธต่อถ้าดูลมก็ดูล ม, มต่อ อย่าตามแล้วถ้าถ้ารู้ก็ให้ดูล้ปล่อยวางให้พิจารณาด้วยปัญญาว่าเป็นอนิจจังทุกขังนนัตตาไม่เป็นไ ม, ไม่ไม่เป็นทางสื่อมความอกทุกข์ถ้าปล่อยวางนล้วเดี๋ยวจิต ก, ก็กลับเข้าสู่ความสมุบได้นักปฏิบั ต, ติบ้งทีศึกษาไม่ได้ศึกษามาเพียงแต่ได้ยินได้ฟังมา เวลานั่งเขาบอกว่าเห็นโน่นเห็นนี่ก็อยากจะเห็นเหมือนเขาพอไม่เห็นก็ก็คิดว่าตนเองภาวนาไม่เป็นจริงการภาวนาเนี่ยบางคนได้เห็นบางคนก็ไม่เห็นส่วนใหญ่จะไม่เห็นกันแล้วส่วนที่เห็นก็จะเป็นปัญหาหรือมากกว่าเป็นประโยชน์ถ้าไม่เห็นถือว่าดีแล้วถ้าเห็นก็ต้องระมัดระวัง ว่าบางคนไปเห็นสิ่งที่น่ากลัวก็เลยไม่กล้าภาวนาต่อไปก็ดีเพราะสิ่งที่เห็นนี่อทั้งสิ่งที่น่ารักและสิ่งที่น่ากลัวเราไปบังคับให้มันแสดงสิ่งที่น่ารักอย่างเดียวไม่ได้มันเป็นอนัตตาถ้ามันเป็นจริตั้งเราที่จะต้องเห็นถ้าเวลาเห็นเราก็อย่าตา่างดี้ต่อมาภาวนาต่อ แล้วสิ่งที่เห็นก็จะหายไปเองที่เียต้องการให้เห็นก็คือทุกข์สมุทัยนิโรธมาเห็นว่าตอนนี้เรายังมีทุกข์อยู่หรือเปล่าเรายังมีสมุทัยอยู่หรือเปล่าเรามีนิโรธหรือยังเรามีมรรคมากน้อยเพียงเไยให้ดูตรงนี้ถ้ามรรคยังมีน้อยยังมีทุกข์อยู่ก็ยังต้องเจริญมรรคต่อไป จเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อไปจนกว่า จ, จะไม่มีทุกข์หลงเหลืออยู่ในใจแล้วไม่มีสมุทยัยความอยากหลงเหลืออยู่ในใจแล้วมีแต่นิโรธเต็มอยู่ตลอดเวลาตอนนั้นเราก็จะรู้ว่ากิจของเราได้เสร็จสิ้นแล้วไม่ต้องไปถามใครแม้แต่พระพุทธเจ้าประทับอยู่ข้างหน้าก็ไม่ต้องไปถามว่ากิจของข้าพเจ้าเสร็จหรือยังอันนี้เป็นสันทิฏฐิโก ไม่ต้องถามใครต้งนั้นถ้าเห็นเห็นอย่างนี้แล้วไม่สงสัยแต่ถ้าเห็นอย่างอืงอ่นีีต้องสงสัยแน่นอนเพราะไม่ใช่เป็นสิ่งที่ที่จะตัดสินความจริงสิ่งที่จะตัดสินว่าจริงหรือไม่จริงก็อยู่ที่สมอยู่ที่พระอริยสัจ ส, สีนี่เองอยู่ที่ว่าทุกข์หรือมิรู้ถ้ายัางทุกข์อยู่มิรู้ก็ยังไม่เต็มที่ ท่านที่โลดเต็มที่แล้วจะไม่มท้ทหลงเหนือยอยู่เลยจะไม่มีตัญหาความอยากหลงเหนือยอยู่เลยดัง น, นั้นขอให้พวกเราต้งทำความเข้าใจให้ถูกต้องเวลาภาวนาเราจะได้ไม่หลงทางถ้าเราเข้าถึงหลักอริยสัจนสะีได้แล้วเราไปเองเราปฏิบัติเองไนดะ้ไม่ต้องมีครูบาอาจารย์ก็ได้แต่ถ้ามีก็ดีเพราะจะได้ไปได้เร็วกว่า แต่ถ้า ม, มีเราก็สามารถที่จะไปของตนได้เองผู้ที่เห็นอริยาาสัจสี่ก็คือพระสุวรรามันขึ้นไปนี่เห็นจากการปฏิบัติไม่ใช่เห็นจากการอ่านหนังสือไม่ได้เห็นจากการจินตนากา ร, รแต่เห็นจากความจริงเห็นจากความทุกข์ที่เกิดขึ้นในขณะนั้นลาดหลั่ลงไปด้วยกําลังของสติปัญญาต้องเห็นอย่างนั้นถึงจะเห็น เห็นเห็นเห็นธรรมจริงๆไม่ใช่นั่งอ่านหนังสือไปแล้วก็จินตนาการไปอ๋อทุกข์เกิดจากความอยากเราหยุดความอยากความทุกข์ก็หายไปตอนนี้เราไม่มีความทุกข์แล้วอันนี้ยังไม่ได้เจอของจริงต้องเจอตามที่จะตายในแล้วอยากยังอยากจะอยู่อย่างนี้ตอนนั้นมันจะทุกข์มากเวลาจะตายแล้วจะต้องยังมีความอยากจะอยู่ แต่อพอโรงได้ว่าอันนี้การทุกขออ์ขังหน้าตาร่างกายเกิดมาแล้วมันต้องตายตายก็ตายถู่าหมยองตายพอยอมตายครับความอยากไม่ตายมันก็ดับไปหายไปเพรความอยากไม่ตายหายไปความทุกข์ในใจมันก็หายไปใจก็เย็นสงบตายก็ตายอย่างสุขอย่างสบายไม่เดือดร้อนอย่างนี้เท้เห็นอย่างนั้นเห็นเห็นจากการปฏิบัติไม่ใช่เห็นจากการ จ, จินตนาการ ก็อขอให้พวกเราพยายามทึ่งเทเวลาที่พวกเรามีเหลือน้อยลงไปทุกวันทุกวันนี้ให้ภาวนากันให้มากพอแล้วเที่ยวมาพอแล้วทำโยนให้ทานมาพอแล้วทำแบบใหญ่ๆหองเดียวเลยไม่ต้องแบ่งไม่ต้องกักไว้เอาที่ยงนิดเที่ยงหน่อยเก็บไม่กระถินมากข้าฝามากเก็บไปทำไมทำไม่เลยทำทีเดียวให้มันหมดไปเลย ได e er ้ไปภาวนาได้เอาละนะขอพอดก่อนเมื่อเช้ามีคนชื่อจักแดงก็มาทำบุนที่สาลาผู้หญิงก็ทำที่แบงค์ชาติด้วยกันนะครับนะครับทั้งหมดเขาเริ่มจำได้ เราจาชื่อไม่ได้ก็าบอกเหมือนกัามาใส่บารล่างหรือว่าใส่มาใส่มาหรอไม่ใส่ไม่ทราบแต่เขาไปพบเราที่ชลาราโอ้โหแดงเป็นคนแักนำแม่เขามาทำอยู่ที่ดาชาเขาบอกชื่อแล้วแต่เราไม่ไม่ได้จำตลอจําไม่ได้ ผู้หญิงนี่เป็นไงจ๊ะถ้าอาจรรย์ที่พูดถึงเรื่องของการพิจารนาว่าเป็นปัญญาหรือเป็นเป็นเป็นสัญญาเนี่ยละกันงที่น่ากลัวคือวิปัสสนูกลัวว่าจะเป็นในลักษณะวิปัสสนูจริงๆถ้าบอกเป็นปัญญาจริงเนี่ยมันชัดเจนเลยใช่ไหมอาจารย์แล้วมันจะไม่มีข้อสงสยัย ใ, ใช่ไหมครับเช่นอยากจะสูเลยอย่างเงี้ยแล้วก็หยุดสูงไม่สูบมัน พอเริ่มบุหรี่ได้แล้วมันก็จะไม่หงดหจิดการเริ่มบุหรี่ถ้ายังงดจิตยังอยากสูบบุหรี่อยู่นี่แสดงวามันยังเลิกไม่ได้ยังละการรัตัณหาไม่ได้อืมมันชัดเจนมันชัดเจนกินเหล้าก็เหมือนกันถ้าเลิกเหล้าได้จริงๆริงก็เลิกจริงจริงใครอยาเหล้ามาตั้งให้ขวดรากาละแสนก็ไม่แตะแต่มันต้องเห็นเห็นด้วยเห็นว่าเป็นทุกข์ การอยากจะดื่มเหล้านี้เป็นทุกข์เพราะเป็นการมตัญหาหรือสถานการณ์ที่เราเจอเหตุการณ์ที่เป็นปัจจุบันทั้งด่วนเช่นเดินไปเตะอะไรไปเยียงเดียร์ขาเจ็บปุ๊บข้อํามันขึพิจารณาขึ้นมาเลยว่าอันนี้เป็นเป็นเป็นจังเป็นร่าใจก็จะไม่เจ็บเจ็บแต่ร่างกายเจ็บแต่ร่างกายอตรงนี้คือความชัดเจนมันมีที่เจ็บสองส่วนพอเจ็บกายปั๊บก็เจ็บ ละใจด้วยโมโหตัวเองเดินไปเตะด่าตัวเองโง่เลยด่าไนทำไมมันก็เจ็บแล้วก็เจ็บอันเดียวก็พอ ตัของจริงมันก็ปัญญาไม่ได้เกิดขึ้นมาทันทีเลยพิจารณาได้ทั้งข้อเป็นนันจังหน้ถ้าถ้าเราพิจารณาในแนวของอริยธรรมพื้นฐานหน้ตาในแนวของอริยศาสัรมันก็จะมันก็จะเป็นตามที่เราพิจารณาต้องเห็นว่าทุกใจเกิดจากความอยากไม่เจ็บมีความอยากจะให้มันเจให้เจ็บทันทีอืมแต่ม่เจ็บแล้วจะไั้ จะไปทุกข์ทำไมเจ็บนะก็รับอยู่กับมันไปเดี๋ยวมันก็หายเองเราไปห้ามมันไม่ได้มันเป็นอนัตตาความเจ็บของร่างกายื้งทีมันมันเกิดการข่มเอาไว้เพื่อเพื่อแบบว่าวางเฉยหกสถานการณ์เกิดขึ้นสติถ้าข่มไม่เฉยก็ข่มไม่เฉยก็เป็นสติเป็นสมาธิทั้งเองการใช้พุทโธพุทโธข่มไว้เป็นการใช้สติ คือถ้าเข้าสมาธิเข้าฌานไปเพื่อไม่รับรู้ความเจ็บของร่างกายก็เป็นสมาธิแต่ถ้าใช้ปัญญาไม่ต้องผ่มไม่ต้องเข้าไปใช้เหตุผลมันขึ้นมาอัตโนมัติเลยบบถ้าเราต่อนใหจิตคิดไปในทางนี้มันก็จะคิดไปในทางนี้มันก็จะปล่อยวางอย่างเดียวโดยยังไม่จะรู้ว่าทุกขเวทนานี้เราไปจัดการกับมันไม่ได้ มันจะเกิดจะดับนี่มันเป็นเรื่องของมันเอแต่เราดับทุกในใจได้ทันทีถ้าเราไม่ไปอยากให้มันหายไม่อยากจะให้ความเจ็บหายไปทันทีทันถ้ายังต้องอยู่ของมันก็อยู่ของมันไปเช่นเป็นไข้หวัดมันจะไม่หายทันทีไม่ว่าจะเป็นไครมันก็ต้องสี่ห้าวันมันถึงค่อยหมดไปแต่ใจเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับไข้หวัด ใจเราก็เป็นปกติเหมือนกับตอนที่ยังไม่ได้เป็นไข้หวัไม่ต้องตีนยาก็ได้เป็นไข่หวัดนี้ไม่ต้องตีนยาเดี๋ยวมันก็หายเองความปวดส่วนยาบรรเปวดที่ใจมันไปนทุบที่ใจใจอยากจะให้ความเจ็บความปวดของร่างกายหายมันก็ยิ่งทาให้รู้สึกว่ปวดมากขึ้นถ้าใจเราเฉยๆก็ดูความปวดไปมันก็ ไม่ไม่ปวดมากปวดเพียงขึ้นเดียวและปวดเพียงเสี้ยวเดียวความปวดทางร่างกายนี้มันเพียงเสี้ยวหนึ่งถ้าเปรียบกับความปวดของทางใจทางใจนี่มันเก้าส่วนส่วนความปวดของทางร่างกายนี้เพียงส่วนเดียวผู้ที่ไม่ปวดทางใจก็เลยไม่ต้องกินยา อ, อะไรเพราะมีธรรมะโอสถเนี่ยที่พระท่านภาวนาท่านใช้ธรรมะโอสถเพราะท่านดับความทุกข์ใจได้ ถ้าเร า, าพลาดท่านถึงอจะไม่ค่อยต้องหาหมอไม่ต้องเข้าเนโรงพยาบาลถ้าเป็นโรคที่มันจะหายของมันได้เดี๋ยวนั้นะหายของมันเองร่างกายสร้างภูมิภูมต้านทานได้โรคที่มาสร้างความไม่สบายก็จะถูกทำานไปแต่ต้องใช้เวลากว่าที่ร่างกายที่จะผลิตภูมต้านทานขึ้นมาได้ช่วงนั้นก็จะปวด ทจ็บทางหน้าการไปแต่ก็จะปวดเพีงเสี้ยวเดียวส่วนเดียวอีกเก้าส่วนไม่เด็แต่คนที่ไม่มีธรรมะโอสถมันก็จะปวดทั้งสิบส่วนถ้ากินยาก็ลดความปวดทางหน้ากายโดยส่วนแต่ความปวดทางใจงก็ยังอยู่อีกเก้าส่วนขอที่กินยารักษาก็ยังปวดมากกว่าคนที่ไม่กินยารักษาที่มีธรรมะโอสถ ธรรมะโอษจนี้เป็นยาที่วิเศษที่สุดธรรมะโอษจนก็คือสร ม, มถามและวิปัสสนาภาวนานี่เองถ้าคนภาวนาเป็นแล้ ว, ดวด ไ, ได้ความเจ็บไายได้โปรงนี้ไม่เป็นปัญหาพระพุทธเจ้าไม่ต้องมีโรงพยาบาลไม่ต้องมีรถหัวมาคอยรับส่งโรงพยาบาลมันที่จะนิพพานท่านยังเดินได้ยังเดินทางอยู่ ไม่น่าท่านอาจารย์ไม่สบายไม่เคยทาการมหมอเลยนอกจากต้องใชต้องใช้จริงๆเช่นถูกยบถูก ง, งูงกัดเนยต้องไป ต, งงต้องไปหายาที่มาค่าเชื้อของผิษมูนี้มันร่นางกายมันไม่สามารถที่จะทำลายได้ก็ ต, ต้องไปก็ดูไปเลือกๆไปไม่ใช่ปล่อยปละละเลยเลยเคยแอานารย์รับสาม ต้องรักษาได้แล้วรักษาแล้หายถ้ารักษาัไป mm hmm. ถ้ารักษาแล้วไม่หายก็นำทุลังรักษาไปก็อยากไปรักษามัน mm hmm. อืย่างว่าปู่ชาที่ท่านนอนอยู่ไม่รู้สิปีรักษาแล้ว น, นั้นก็อยากไปนานทุลังรักษาต้อให้หลวงตาเป็นคนไปสั่งให้ถอนออก mm hmm. ไม่มีใครกล้าถอนกลัวบาป แ้่ท่านบอกว่าร่างกายตอนนี้เหมือนกองไฟแล้วอาหารยาที่เราสั่งเข้าไปในร่างกายนี่เหมือนเชื้อไฟถ้าเราเติมยาอาหารเติมยาเข้าไปเชื้อไฟมันก็จะลุกอยู่เรื่อยๆคือทุกเวทนาในร่างกายมันก็จะไม่ดับทันทีถ้าเราตัดเชื้อไฟแต่พอเชื้อเก่าหมดแล้วมันก็จะดับร่างกายหยุดทํางานมันก็จิตของท่านก็ได้ไม่ต้องมารับรู้กับไอ คามเจ็บความปวดทาร่างกายช่นกรณีของลูกผู้ชาเนี่ยท่านท่านท่านชัดเจนท่านเองอยู่แล้วนะแล้วการที่ไปถอดออกนี่ก็คงไม่มีปัญหาได้สำรับตัวท่าน<ไง>แต่ที่ผู้ป่วยเนี่ยเป็นคนธรรมดาซึ่งไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่มีธรรมะตร <c oughs> งนี้นะครับแล้วญาติพี่น้องจะไปถอดสายออกนี่มันเป็นบาปกรรมไหมท่านเนี่ยไม่บาปเราไม่ได้เอามีดไปฆ่าหอกไม่ได้ไปหยิบคล้องเขาแม่เขาหายใจเราเตรียมตะปุ๋ก็อยู่ตามธรรมชาติเท่านั้นเอง เหมือนการถอดสายออกนี่ปล่อยให้เป็นธรรมชาติไปให้อยู่ตามธรรมชาติอยู่ได้ก็อยู่อยู่ไม่ได้ก็ไปส่วนใหญ่คนทั่วไปก็จะกลัวว่าการเราออ ก, กจะเป็นการฆ่าผู้นั้นใช่เป็นการยุติการการส่ ง, ส, งส่งความช่วยเหลือเป็นความช่วยเหลื อ, อก็ทําให้เขาตายได้แต่ไม่ได้ไปฆ่าเขาเป็นแต่ยุติการช่วยเหลือเพราะช่วยไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเป็นทโทษกับเขาเสียเปล่า ทันท right. ี่เขาจะได้ไปทันที่เขาจะได้ไม่ต้องมาแบกกลับขันที่เป็นเหมือนกองไฟก็ปล่อยให้กองไฟนั้นมันดับไปแต่คนที่ตัดสินใจอย่างนี้ได้ก็ต้องต้องเข้าใจหลักธรรมโมกุลจะทําได้ไม่กล้าทําอ่ะก็อย่าเข้าโรงพยาบาลก็แล้วกันเขียนสั่งไว้กอนเดี๋ยวนี้เขาก็มีพินัยกรรมให้เขียนไม่ต้องไม่ต้องรักษาและรักษาตาม ตาสภาพไปเราสามารถเขียนใบสั่งได้แบบนี้เพื่อป้องกันหมอเองหมอถ้าถ้าไม่เขียนสั่งไว้ก่อนเดี๋ยวหมอไม่รักษาก็จะโดนข้อหาไร้เมตตาไร้ความเมตตาเัื่ใหญ่ญาติญาติพี่น้องก็จะทนไม่ได้ที่จะไม่รักษาแม้กระทั่งหลวงตาสั่งว่ายังรักษาจนถึงขีดที่มันรักษาไม่ได้เข้าใจไหอก็ต้องไป เรารักษาไม่ได้แล้วมอมว่าทําอะไรไม่ได้แล้วแต่เพียงแต่ว่าจะใหอ้อยู่นี้ไปต่อก็อยู่ได้แต่อืจะไม่มีวันที่จะดีวกว่านี้เพรมันมีเคสเยอะไปที่เป็นเจ้าทายนิธาเป็นเจ้าหญิงนิธาอยู่แล้วก็ญาติพี่น้องก็ยังให้นิ้งช่วยเหลือนี้ตลอดไปนี่เหมืนกับอีกกรณีหนึ่งที่เจ้าตัวเองอยากจะตายแล้วบอกให้บอกให้ให้ทําลายคือให้ฉีดสารพิษเข้าไปอย่างเงี้ ผิดเนียนี้บาปเอคแต่ถ้าว่าถ้าเจ้าตัวบอกไม่อยากจะรักษาอันนี้ไม่บาปถ้ารู้ว่าตัวเองรักษาเงินก็ไม่หายก็เลยบอกว่าหมอยุติดได้นะไม่ต้องไม่ต้อ ง, ไ ม, องไม่ต้องอะไรทั้งนั้นอือย่างนี้ไม่บาปแต่ถ้าอยากจะตายแล้วก็ให้หมอช่วยฉีดสารพิษให้อย่างเงี้ย อ, อย่างนี้บาปอย่างนี้เป็นการฆ่าตัวตายอย่างนั้นต้องทําพิธีกรรมไว้ก่อนเพราะถึงเวลานะอาจจะพูดไปรู้เรื่องเรา สั่งไม่ได้บางทีก็อ้านไปทำตามก็ได้บางทีก็อ่านทำเอาไปทำตามใช่ไหมมันมีบาปกรรมนะถ้านอาจารย์คะแล้วอย่างในกรณีถ้าเกิดสมมติว่าเอ่อคนที่เขาป่วยแล้วเขาอยากตายเนี่ยที่าพทย์บอกว่าเขาบอกให้หมอชีดให้เขาหิดใช่ไหมคะ แล้วในกรณีนี้หมอค่ะมีสว่วนนับทำยืนยันหรือเปล่าครับว่าเขาก็เป็นคนชี้ให้คำพายก็น่าจะมีส่วนนะเพราะเป็นผู้ที่ทำให้เขาตายเป็นผู้รับคาสั่งแต่เข้าใจว่จะเป็นจัญาแพทย์จัญยาบัญแพทย์คือทำไม่ได้ไ<ง>เวลาที่เขาจะตายเอก็ตรงนั้ น, ท, น, นทางหลักเสยนก็เถือ ว, ว่าทำเองก็ดีสั่งให้คนอื่นทำก็ดี น, นก็ผิดทนั้นคนทําก็ผิดคนสั่งก็ผิดนี่สั่งไหมตอนหลังเขามีเหมือนกับว่ า, วาเพราะเขากว่าเรื่อ ง, งยาบันแทย์อะคะ่ะเขาก็เลยมีเครื่องให้คนไข้ทํ า, ยยาทเป็นโปรแกนในตนัวเองแบบนั้นคือมันก็คนที่ทําก็มีส่วนผิดนะคือถ้าทําให้มันตายด้วยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งนี่ผิดทั้งแต่ถ้าปล่อยให้มันตายนี่ไม่ผิด เราจะทกับปล่อยเรื่องเหมือนกันนะคือทำนี่เราต้องไปทํางานงานอย่างหนึ่งให้มันตายส่วนปล่อยนี่เราก็ปล่อยให้มันไปตามเวลาของมันตามเหตุตามปัจจัยของมันถ้าปล่อยไม่ไม่ไม่บา่าถ้าทําบาาทําให้เขาตายนั้นบาาไม่ว่าจะเป็นทําให้ร่างกายของเราเองหรือของคนอื่นตายก็บาาเหมือนกัน มีปรนะโยชน ม, มากต้นถวายของก่อนใช่ไหมได้ข่าวว่าเป็นี้ปฏิทินมะหายากเพราะทางการก็บอกว่าผทํำไรนะเขาไม่เขาหม่จ่ายปฏิทิน ก็เป็นที่ที่แจกค่ะครืองใช้ทั้งปีสิ่งที่าบอกอันนี้เออวันวันจีจะไม่วันชาจะไม่จงันนง้ะค ที่ทางนาตกเป็นท่าวาดแล้วเป็นท่าวัาวาดวัดกันเลย้ก็แถมวัดปกปิดไปนิดนึงค่ะขับตกคำว่านาใจเลครอบบอกเราเพิมงนเล่นน้เป็นจริยรมเฉยๆเหอดีต้องควรโมแต่ไปวัดนึงพอดีการเฉยใหม่นะหอเฉยๆสดีใหม่สูดได้ อยู่เรื่อยๆเพราะว่ามันมันยากขนของหนักมันไกลแล้วก็ช่วงที่ทำช่วงนั้นก็ฝนตกหนทำาก็ได้ค่อยๆทำไปเต็มหมดเต็หมดทุกแกล ต, ตอนนี้ค่าที่ทำเสร็จใช้ได้จในในมีแค่สองนันสองนั่นทำที่สาที่ส แล้วก็ทำทางสงคมไปเกือบหมดทุกอันแล้วแต่ตัวแพทยยังไม่ได้ทำเพราะมันที่ขั้นบนไม่มีไฟฟ้าเพิ่มมากข้นเลาสมันี้ก็ต้องใช้ไฟฟ้าอันนี้ก็เลยวิธีทำทที่ทาที่ร้านก่อนทำที่โรงงานก่อทำเช็คประกอบที่โรานก่ใหม่เองาก็เป็นเข้าไปไม่ได้ไป ไปกำวนอะไรก่อนตามนิจังทุกขรังแลน่าตาคือเราไม่เดือดร้อนท่าอย่างเราคนอื่นจะเดือดร้อนไม่ใช่เรื่องของเราคนถามเดือดร้อนหรือเปล่าเช้ามีคนเข้าบอกว่าผมมีปัญหาอยากจะถาม คำตอบมันอยู่ที่อนี้จําทุกของอังอนัตตาถ้าเย่างอนิจําทุกขังอน้ตตาคําถามมันก็หายไปเอง ừ, ừ. Ừ. Ừ. ทุกอย่างคําตอบมันอย่ตรงนั้นคําตอบที่แท้ จ, จริงคือเราไม่เห็นอนิจจําทุกของอังอนัตตาเราก็เลยสงสัยอย่างโน้อย่างนี้ทําไมเป็นอย่างนั้นทําไมเป็นอย่างนี้แต่เห็นว่าสัพเพธรรมานัตตาทุกอย่างมันก็เป็นไปตามเรื่องของมัน ừ. Ừ. เราไปห้ามมันไม่ได้ ไปเปลี่ยนแปลงมันไม่ได้นี่ยคำตอบถ้าเราเห็นอนิจจังทุกการหน้าตาเราก็จะไม่มีคำถามเพราะไม่รู้จะถามอะไรคำว่าทำไมยังไม่มีคนในโองนี้ถามคำถามทำไมก็แสดงว่าโง่ทำไมต้องทำไมเ้รามันเป็นอย่างนี้แหละ เวลาตายตายเล็อกทำไมต้องตายด้วยทำไมต้องเกิดกับเขาทําก็ไม่เกิดกับคนนั้นคนนี้ก็มันไม่เกิดกับคนนั้นคนนี้ไม่เกิดกับคนนี้แล้วมันต้องทำไมด้วยก็มันเป็นอย่างนั้นนะคือธรรมะต้องเห็นว่ามันเป็นอย่างนั้นสิ่งลูกอย่างมันเป็นไปาตามเหตุตามปัจจัยของมันเหตุปัจจัยก็มีทั้งทางด้านกรรมหร บ, บุญ กรรบุญนี้ก็ช่วยเสริมให้เจริญหรือให้เสืิมได้ส่วนอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเรื่องของธรรมชาติที่มีเจริญมีเสืิมเป็นธรรมดาซึ่งเ ป, เป็นส่วนเป็นสิ่งที่เราไปทำอะไรไม่ได้อยู่แล้วทั้งสองส่วนบุญหร ก, กรรมก็เป็นสิ่งที่เราทำมาแล้วในอดีตส่วนการเจริญและเสริมของธรรมชาติมันก็เป็นของเขาไปอยู่แล้วเป็นสิ่งที่เราทาได้ก็คือทาใจทําใจให้เป็นอุเบกขาปล่อยวาง จะปล่อยวางได้ก็ต้องเห็นตัวนี้เห็นว่ามันเป็นอย่างนี้แหละถ้าไม่อยากจะเจอสิ่งเหล่านี้ก็อย่ามาเกิดอย่า ก, กลับมาหาสิ่งเหล่านี้อย่าอยากได้สิ่งเหล่านี้ <c oughs> เวลาอยากได้ไม่ไม่คิดก่อนว่าได้แล้วต้องเสียไปพอเสียแล้วถามเราทําไมต้องเสียทุกอย่างเราได้มามันต้องเสียไปหมด งางการนี้เราได้มาเดี๋ยวเราก็ต้องเสียมันไปราบัุสระเสริญสุดที่เราได้มาเราก็ต้องเสียมันไปหมดสิ่งที่เราไม่เสียเรากำไม่เอากันง <Yeah. S 2> ความสงบความสุขเนี่ยเป็นเศงที่เป็นของเราอยู่กับเราไปตลอด <Yeah. S 2> อากาลิโกเห็นไหมนี่ <Yeah. S 2> ก็คือความสงบนี้ความสงบที่เกิดจากการภาวนาทำจิตให้สงบ เกิดจากการปล่อยวางด้วยปัญญาเรื่อยๆวิปัสสนานี่ะคือเป็นสมบัติของเราเป็นสิ่งที่ว่าจะไม่มีวันหมดไปจากเราอยู่กับเราไปตลอดไม่มีร่ า, านกนี้เราก็ไม่เดือดร้อนเราก็ยังมีความสุข น, นี้ความสุขที่พระพุทธเจ้าพระสาวกครูบาอาจารย์ท่านทั้งหลายมีกันอยู่ใต้ก็ยังมีอยู่ ในเวลาจะผ่านมาแล้วนะต้อง 2, สองพันห้าร้อยกว่าปีความสุกดในพระฉัยของพระเจ้าที่พลังศักดิ์ขังนี้ก็ยังอยู่ความศักดิ์ของครูบาอาจารย์ที่ท่านจากพวกเราไปแล้วก็ยังอยู่ในใจของท่านไม่มีวันเสื่อมไม่มีปัญหายไม่มีวันหมดไปเพราะมันไม่ได้เป็นอนิจจังทุกขงังแล้วนะป่าอันนี้แหละเป็นสมบัติเป็นของเราที่แ ท, ท้จริงที่เราสามารถที่จะ เอามาเป็นมาครอบครองได้ถ้าเราปฏิบัติการที่พระเจ้าทรงสอนทำทานรักษาศีลจเจริญสติสมาธิและปัญญาอันนี้แหละที่จะที่จะทำให้เราได้สมบัติอันเลออันวิเศษนี้แั้นมันอยู่แค่เรื่องมือนี้เองนะอยู่ที่วิริยะตัวเลี้ยงนี้เอง วิทยาคือความเพียรดูดพน้นดูดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยความเพียรต้องมีความเพียรถึงจะเกิดสติถึงจะเกิดสมาธิและจะเกิดปัญญาได้สิ่งที่เราเพียรก็เพียรเพียรเจริญสติเนี่ยคุณบาอาจารย์ที่ท่านภาวนากันเบื้องต้นกับพุโทโธกันทั้งวันพุทโธอย่างนั้นพุโทโธกระจายนี่นนอยู่แนบติดกันเลยตอนนั้นก็จะเกิด สัมปัตยัญญะขึ้นมามีความรู้สึกตัวเติรนตัวอยู่ตลอดเวลาไม่เผลอไม่ลอยไปที่นั่นที่นี่อยู่ในปัจจุบันพออยู่ในปัจจุบันแล้วภารนานั่งสมาธิก็หลงอยู่ก็เสื่อมฝมนสม <c oughs> ก็จะพบกับปราณังสุขขังชั่วคราวอพอออกจากนั้นมาก็ต้องจะรักาต้องการจะรักษาปราณังสุขขังนี้ก็ต้องใช้ปัญญาหยุด ัหาความอยากที่จะที่ยังไม่ตายจากการจากความสงบของสมาธิจะตายได้ต้องตายด้วยด้วยอนิจจังทุกขงังอนัตตาต้องตายด้วยการเห็นอนิจจังทุกขงังอนัตตาอันนี้แหละเป็นสมบัติของเราไม่มีใครจะแยกจากเราไปได้ไม่ว่าเราจะเป็นเราจะตายมันจะอยู่กับเราไปตลอด เราควรที่จะเปลี่ยนทิศทางของการหาทรัพย์ได้แล้วอย่าไปหาทรัพย์ภายนอกอันเท่ากัหาทรัพย์ภายในด้วยการสละทรัพย์ภายนอกอย่าใช้ทรัพย์ภายนอกเป็นสารณะเป็นที่พึ่งให้ใช้ทรัพย์ภายในยเป็นที่พึ่งว่าเป็นที่พึ่งที่แทจ้จริงธรรมงสารนังกระชามิก็คืออันนี้ก็คือปารามังสุขขังเมรีบะลมังสุ เกิดขึ้นจากการที่เราภาวนาจากการที่เราสละทรัพย์ทั้งหมดสละทรัพย์ภายนอกเพื่อที่เราจะได้เข้าหาทรัพย์ภายในเราจะรักพี่เสียดายน้องไม่ได้เราทั้งทรัพย์ภายนอกแล้วะทรัพย์ภายในไม่ได้เหมือนเจ้าน้ำร้อนกับน้ําเย็นนี่มันไม่ได้ถ้ามาปนกันนก็ร้อนก็หมายร้อนเย็นก็หมาเย็นแต่เราต้องการความสุขที่เย็นก็ต้องเข้าข้างใน แต่เราต้องการความสุขร้อนก็ต้องอยู่ข้างนอกความสุขร้อนก็คือความสุขที่มีความทุกข์นั่นเองความสุขเย็นก็คือความสุขที่ไมมีความทุกข์ต้องเข้าข้างในต้องสละทรัพย์ภายนอกแล้วก็มาบวชมารักษาศีลมาภาวนามาปฏิบัติธรรมแล้ว ความสมานุบภายในก็จะปรากฏขึ้นมาตามองค์กบตามกําลังของความเพียรของเราต า, ามกําลังของสมาธิของปัญญาที่จะขยับขึ้นไปเป็นขั้นๆ ข, ขั้นสมาธิก็ก็ขั้เข้าสู่ขั้นอัปปนาสงบได้นานเท่าไหร่ก็ก็มีกําลังมากที่จะใช้เป็นการสนับสนุนในการจเจริญปัญญาได้ พาอการปัญญาก็มีอยู่สี่ขั้นขั้นโสดาบันขั้นสกิทาค้นมีขั้นอนาคา้นมีขั้นอรหันต์เขาใช้อนิจจังทุกขังอนัตตานี้เป็นตัวเด่นพิจารณาขังธ5ห้าพิจารณาว่ารูกนิจจนาสัญญาสังขาริยาเป็นอนัตตเป็นอนิจจังเป็นทุกขังถ้าเห็นก็จะละสัการละทิฏฐิได้ น้วความหนลงที่เห็นว่าเวทนารูปเวทนาสัญญาสังขารเป็นตัวเราของเราจะให้ความสุขกับเราจะอยู่กับจะเป็นตามที่เราต้องการมันเป็นได้ไม่ไดมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีเกิดม่ดับมีสุขมีทุกข์เช่นทุกเขเวทนาสุขเขวทนาทั้งสุขอย่างเดียวไม่ได้จะต้องรับมันได้ได้ทั้งสุขทั้งทุกข ถึงจะเรียกว่าปล่อยวางถ้าอยากให้มันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แสดงว่ายังต้องประจัดการมันอยนู่แสดงว่ายังปล่อยวางไม่ได้พอร้อนหน่อยก็เปิดแอร์อย่างนี้แสดงว่ากำลังจัดการกับทุกเขเวทนาร้นอนก็อยู่กอบมันไปหนาวก็อยู่ออบมันไปหนาวถ้ามีผ้าหม่มก็ห่มไป ที่ต้องหมเพราะว่าเพื่อที่จะรักษาร่างกายให้มันอยู่ต่อไปตอที่เราการที่มันควจะไปแต่ถ้าหม่มหมนื้อเพื่อให้มันความสุขนี้มันไม่ได้ไม่ใช่เป็นเหตุผลเหตุผลที่เราต้องรักษาร่างกายครเพื่อเอาร่างกายนี้มาปฏิบัติทมต่อไปให้เสร็จแล้วเมื่อเสร็จแล้วจะหม่มไม่ห่มก็ได้ แต่เมื่อเรายังไม่เสร็จงานเราก็ต้องดูแลรักษาร่างกายแต่ไม่ได้ทาเพื่อความสุขทางทางร่างกายทาเพื่อความสุขทาง จ, จิตใจยังคอยพวกเราปลุกเราบำเตัวเราเอางเกิดขึ้นมาว่านี่คืองานของเรางา น, นอื่นไม่ใช่งานอยากไปเสียเวลา เวลาของเรามีนอ้อยลงไปทุกวันทุกวันคนที่จะรีบเอาเวลาที่มีคุณค่านั้นม า, าตักตวงประโยชน์สุดที่แท้จริงคือความสุขภายในนี้ให้ได้เถิดพอได้แ ล, แล้วก็สบายได้แล้วไม่ต้องทาอะไรต่อไปแต่ถ้าทํางานภายนอกนี้ทํงงาไปจนวนตายก็ไม่มีงานเช่นนี้มันจะมีงานใหม่ให้เราทําหรืออยากทําี่เราอยากทําอยู่เน เราก็จะไม่มีอะไรติดเนื้อติดตัวไปเวลาตายจากโลกนี้ไปงานต่างๆที่เราทำข้างนอกนี้เอาไปไม่ได้เลยต่งานต่างๆที่ทำข้างในนี้เอาไปได้เลทั้งผลและเหตุเหตุหตก็คือมรรคเนี่ยหรือสติปัญญาทานสิงสติสมาธิปัญญานี่เราเอาติดตัวไปใช้งานต่อได้เลย ไปเกิดข้างหน้าแล้วก็ใช้มีมีเครื่องมา้าเครื่องมือทางานงต่อได้เลยผลก็คือความสงบความร่มเย็นเป็นสุขก็ติดไปกับเราได้มากน้อยเท่าไหร่ก็ไปกับเราแต่สิ่งต่างๆที่เราหามาเช่นลาบยศเสลสริญรูปเสียงกยลิ่นนี้ไม่ได้ไปกับเราเลยถ้าเราจะมัวไปหลงหาขอบสิ่งที่ไม่ใช่เป็นของเราทำไมหาสิ่งที่เป็นของเราสิ สิ่งที่เราเอาไปกับเราได้สิ่งที่เราพิ่งได้ที่อย่างแท้จริงก็คือมรรคที่มีองค์แปดนี่เดินมรรคให้มาเรามรรคผลที่ผานก็จะเป็นผลที่ตามมาต่อไปอที่เราเอาแค่นี้แลไปนะจะให้พร <c oughs> อาจารย์คะคือยอมไม่ไม่แน่ใจว่าอย่า นแยพยังสลับกับตอนเดินจงกรานะคะดเท้ากระด <c oughs> กื้นก็ทาสมาธิกับสลับกับดูไก่เคลื่อนไหวต อ, น, อ, ปญญตอ น, น, นปัญญาทปัญญาแต่ว่าไม่ได้ <c oughs> ไม่ได้ใช้คำวิกรรมดูร่างกายอะไรนะคะดูตามคาเะยมคือยมไม่แน่ว่าที่ยมเห็นมันกดจกการเห็นาจริงหเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็แบบเดินขณะที่เดินหยุดแล้วก้าวที่จะเดินต่อไปอะคะ่ะ ก็กขาข้างหนึ่มันาสัมรีเลยนะคะตอนนั้นคือเจตนานมันอ่อนมากแล้วก็อีกข้างหนึ่งก็ขยับจะเดินแล้วมันมันยกไม่ได้มันหนักแบบหลายสิบกิโลมากค่ะข้างแต่ข้างไม่เท่ากันแล้วก็ยกยม่ไดเอสหเอสเสร็แล้วก็ ก็ดำเต่อไปไม่มีอะไรเกิดขึ้นหรือคะคำเกิดจากการเห็นท่าหรือเกิดจากการที่เป็นสมถารคือตอนนันโยไม่แน่ใจว่าโยทาอะไรมันไม่เป็นอะไรทั้งนั้นอ่ะมันก็เป็นเป็นสิ่งที่ปรากฏให้รู้แล้วก็ปล่อยรู้แล้วก็ปล่อยวางก็คืออ่เหนแล้วที่พระจะอกว่าต้องต้องเหนกายเป็นทาด้วยอย่างนี้โยบใจว่าอยากก็บอก แสดงให้ดูหรือเปล่าอะไรเงี้ยมเพราะว่ายปกติตอนหลังๆมายงไม่ได้ไม่ได้แบบใช้คาพูดพิจาราร่างกายเป็นยังไงอะเงี้ยไม่ไม่ได้พูดก็อยู่ที่เราเราเห็นว่าเป็นธาหรือเปล่ามันก็มันก็แปลกดนอแค่แค่ออแค่นั้นะค่ะก็อยู่ที่เราถ้เราเห็นว่าเป็นบางคนบอกว่ามันมันอยู่ที่เราเราไปถามคนอื่นได้ไงว่ามันเป็นธาหรือไม่เป็นมันเป็นอยู่แล้วทีนเราจะเห็นว่ามันเป็นหรือเปล่า คนก็บอกว่า เ, าเป็นลูกเล่นของการที่ทําำความสงบหรือเปล่าความสงบมันจะลูกเล่นเยอะอย่างก็งมันก็มีส่วนนั่น<ะ>มันมีผลข้างเคียงอะไรต่างๆให้ปรากฏให้เห็น<ะ>สิ่งที่เราต้องการเห็นก็คือเห็นอนิจจ์เห็นอนัตตาอนัตตาก็เห็นว่าเป็นธาน<ะ>ตุสีน้ําลงไปเ่็อนิจจ์เห็นว่ามันต้องตายอย่างนี้แล้วกับการที่แบบว่าเราเวลาเราจะรู้ว่าการจะคิด ก็จะมีลมดันขึ้นมาลมดันขึ้นมาเธอสติรู้ทันก็จะดับไปไปแต่้ไม่ทันมันก็ต้องผ่านสมองแล้วก็จะปลุกออกมาไอ้นี่คือเร่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยปลุกเป็นรูปภาพเป็นสีอะไรเงี้ยค่ะแต่ไม่ได้ตลอดนะจ๊ะคะวันนี้การเรียนรู้ตามธรรมจริงแล้วจะค่ะความจริงแบบนี้รู้ไปก็ไม่เป็นประโยชน์ไม่ีประโยชน์เลยให้รู้ว่ามันเกิดมันดับจะเป็นประโยชน์กว่าดูค่ะให้รู้ว่ามันเกิดมันดับนั่นเราก็เป็น จัดการกับมันไม่ได้ให้รู้ทันแล้วก็ปล่อยวางเจ้าค่ะให้รู้ทันให้รู้เป็นิจจารทุกข์ขันนั้นนะจ๊ะทํที่เราไปยึดติดกับมันก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าเกิดความอยากก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาอยากจะรู้มันเป็นอะไรมันก็มันก็เป็นความทุกข์ขึ้นมานไม่หล่นนะะอยากหักคำตอบนี่ไม่ว่าอะไรก็ไม่ต้องไปหามันเป็นอะไรก็รู้มันเป็นอย่างนั้นแล้วก็ปล่อยวางมันไป ก็ัวผิดนะคะปัญหาปัญหาคือเราชอบไปยุ่งกับเขาเองเราไม่ไม่ไมรู้เฉยเฉยรู้แล้วก็อยากจะไปรู้ว่าเขาเป็นยังไงมาจากไหนชื่ออะไรไม่รู้ทําไมก็จะชื่ออะไรเพรพ่อแม่ของเขาเป็นใครไม่ใช่เรื่องของเราขนาดไหนใช่ไหมของเราคือว่าเราทุกข์กับเขาหรือเปล่าปัญหาของเราอยู่ตรงนั้นเราปล่อยวางเขาได้หรือเปล่ามันก็ เป็นบางครั้งนะคะอยู่ที่กำลังของสมาธิเราต้องรู้น่าปล่อยวางไม่รู้เฉยมันไม่ได้จริงมันเป็นอดีตไปแล้วพอรู้ป้อมมันเป็นอดีตไปแล้วนี่เรายังแบกมาถึงวันนี้เห็นไหมอ๋อค่ะปกติก็ไม่ได้สอนถ้ามีสัญญาอันนี้มันหายไปจากใจแล้วค่ะนี่มันไม่มันยังปรุงแต่งอยู่ยังคิดถึงมันอยู่ยังแบกมันอยู่น่ะตอนจริงอดีตมันผ่านไปแล้วท่านบอกว่าให้ลืมมาดีอนาคตก็ยังมาไม่ถึง อยู่ในปัจจุบันแสดงว่าเราไม่สติเราไม่มีใจเราไปอดีตไปอนาคตไปไม่อยู่ในปัจจุบันการปฏิบัติการทางจั น, นจเนสติกเพื่อให้จิตเราอยู่ในปัจจุบันถ้าจิตอยู่ในปัจจุบันมันจะเห็นทุกอย่างว่าเกิดดับเกิดดับผ่านไปแล้วผ่านไปแล้วคำพูดนี่พูดปับ้บมันผ่านไปแล้วแต่ถ้าเราไป ถ้าเราไม่มีสติไม่อยู่ในปัจจุบันเราก็ไปดึงเอาคําพูดที่ได้ยินที่เป็นอดีตเรากลับมาให้ยอยู่ในปัจจุบันต่อใ<ม>นเรื่องไม่อุปทานไม่ปล่อยวางไม่ปล่อยทุกอย่างไหลไปตามความจริงนะครับความจริงมันไหลเหมือนกระแสน้ําเรานั่งอยู่ท่าแหนวนี้เราจะเห็นเรือไหลไปไหลไปผ่านไปแต่ถ้าเรามีอุปทานเราเห็นเรือที่เราชอบล้วก็ดึงมันกลับมา<ห>ดึงมันกลับมาแั้วน่นที่ความจริงมันไม่กลับมาแล้วมันไปแล้ว ถ้าเราอยู่ในปัจจุบันได้ไม่ว่าเราจะเกิดจะดับจะไม่เป็นปัญหาใจเราเันมักจะยึดอดีตกลับมาเรื่อยอดีตอันแสนหวานพอมันหมดไปแล้วก็ยังพยายามดึงให้มันกลับมาให้ได้คิดถึงมันอยู่เรื่อยๆอมันถึงทุกข์กันเพราะมีอุปทานมีความอยากไม่ปล่อยวางความจริงความจริงนี่มันไม่นิ่งความจริงนี่มันไหลเหมือนภาพยน ดูทุกอย่างว่าเหมือนเราเราต้องดูภา พ, พยนตร์ท่าอย่างนี้นออ ต, อนตอนนั้นมันเขาก็จะเป็นเองอะค่ะหมายถึงว่าอย่างที่พระอาจารย์บอกโยมก็ทําได้้ตงิเรายัมไม่ไม่นิ่งเ ร, เราดึงจิตให้อยู่ในปัจจุบันไม่ได้มันยังวิ่งไปตามอนาคตบ้างตามอดีตบ้าง ค, ค, ความคิดปรุงแต่งเนี่ยเป็นตัวที่พาไปอดีต พ, พาไปอนาคตเราถึงต้องใช้พุโทโธหรืออะไรดึงเอาไว้ ใช้สติก็ได้ถ้ามีสติมีกําลังไม่ต้องใช้พุโทโธก็ได้ให้รู้เฉยๆรู้ว่าทุกอย่างกําลังเกิดกําลังดับอยู่ในต่อหน้าต่อตาเราเดี๋ยวนี้เลยเสียงที่เราพูดตอนนี้เหมือนเกิดแล้วกระดับเกิดแล้วกระดับเห็นชัดชัดอยู่งนี้่ <Okay. S 1> ใครพูดอะไรก็ผ่านไปแล้วใครชมก็ผ่านไปแล้วใครด่าก็ผ่านไปแล้วแต่เราเอากลับมาเล่นเอามาฟังต่ออยู่ยด้วยเขาด่าตั้งแต่เมื่อเช้านี้ตอนนี้ก็ยังคิดถึงคําด่าของาอยู่ ใช่ไหมมันต้องผ่านไปแล้วมันหมดไปแล้วใจเราต้องว่างเสมอค่ะไม่มีอดีตไม่มีอนาคตคูดถึงการว่างนี่นะคะโยมเคยหลับแล้วไม่นานีน่าหลับแล้วสติมันไปเห็นความคิดในขณะหลับแล้วมันก็เขาก็แบบระลึกขึ้นมาเองแล้วแล้วอยู่แบบมันมีความรู้สึกว่าเหมือนโยมอยู่ในอากาศอคะ่ะแบบไม่ได้เป็นตัวนะเป็นความรู้สึก มันก็มีความสุขมากเลยค่ะก็ตื่นขึ้นมายั่งยิ้มยืดอีกแล้วใช่ไหมมันผ่านไปแล้วมันผ่านไปแล้วชอบเยอะเลยเห็นอลิซนิดหน่อยเขามีความสุขคจิตเรามันก็สามารถผลิตความสุขได้ผลิตความทุกข์ได้สลับกันไปบางทีก็เกิดจาก ตัวเราไปเป็นผู้กระตุ้นมันให้ผลิตขึ้นมาความอยากของเรามันก็จะผลิตความทุกข์ขึ้นมาถ้าเราปล่อยวางมันก็จะปล่อยมันก็จะผลิตความสบายใจของเรขึ้นมาส่วนใหญ่แล้วมักจะผลิตความทุกข์กันเพราะเราอยากกันถ้าเราปล่อยวางได้เราก็จะพบกับความสุขที่เราให้ฟังนี้ตอนนั้นแสดงว่าเราปล่อยวางนะครับแล้คนกค่ะแล้วก็ คนไข้ที่สมองตายทางนการแพทย์หรือเปล่ากันเอาเยวะมาเปลี่ยนถ่ายมันเป็นการทำให้เขาตายมถ้าเขายังไม่ตายจริงก็ยังก็ก็ล้วามาทําให้เขาตายมันก็ก็ทําถ้าเทากับไปฆ่าเขาอยู่ดีนั้นคือสมองตายแต่การแพทย์ใช่แต่ร่างกายยังทํางานอยู่ก็ยังที่ทางทางทางเราก็คิดว่ายังเราถือว่ายังไม่ตายถ้ายังหายใจได้อยู่ก็ยังไม่ตาย แต่ทางการแพทย์นี่ก็หายใจไม่ได้หรือเป่าไม่หายใจแล้วไม่ไม่หายใจมันไม่หายใจแล้วแล้วทางการแพทย์ถือว่าตายแล้วสมองคือคือสมองตายแล้การแพทย์นี่คือว่าคือจะไม่หายใจคือเขาจะมีข้อบ่งชี้หลายอย่างนะแต่ว่าอันหนึ่งก็คือว่าไม่หายใจเองเขาไม่หายใจเองหรือป่าไม่ไม่หายใจเองแล้วทําไมล่ะถ้าก็ตายแล้วคจะเอาวิญญาไปทําอะไรก็ไม่เป็นปัญหาอะไรแต่เขายังใส่เครื่องช่วยหายใจอยู ก็แสดงเขายังหายใจอยู่ครับอแต่หายใจเองไม่หายใจร่างกายก็ยังทํางานอยู่เครึ่องกระตุ้นไม่อยเคยเห็นเขามีเครื่องช่วยหายใจทําให้ร่างกายเนี่ยขยับไปขยับอย่างนี้นะแต่เขาไม่ได้หายใจเองถ้าถอดเครื่องก็ตายถ้าถอดตายถ้าถอดก็ตายใจเองไม่ได้ใจเองไม่ถอดกระนาไม่ถอนถึงจไม่ถอดก็อยู่กันได้เลยว่ะคือขนาดตัดเนี่ยไม่ถอน ขณะตอนนี้เราเยังให้เขาหายใจอยู่กลัวตายไงกยวอยู่กลวายอวัยวะกลัวอวัยวะตายใช่่ะใช่แต่เขาตายไปแล้วไม่ใช่ครับคำถามคือว่าคือทางสมองในทางการแพทย์เนี่ยจะบอกตายแล้วก็คือคย่าที่หนึ่งคือมันจะไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองของของเอ่อ reflex ของร่างกายทังศาสนาอยู่ตรงที่ว่าจิตยังอยู่กับร่างหรือเปล่าอยู่ครับทาทังยังอยู่ก็ยังไม่ตายรรู้อะเสรงว่าอันนี้เป็นความสุ่มเสี่ยงใช่ เราไปสมมุติว่าเขาตายเองเราไปกำหนดเราเปลี่ยนคำนิยามคำว่าตายใหม่เพื่อให้เพื่อให้ตรงกับความอยากของเราเรายังอยากจะให้เราเราอยากจะได้วายร้าของเขาสดสดแต่ไม่อยากแต่ไม่อยากพาว่าเราทาว่าเขาตายเขาเขาเป็นยังเป็นอยู่ตอนนี้เ็ยังเป็นอยู่เขายังไม่ตายว ถ้าจิตครับถ้าจิตเขายังอยู่นี่แสดงว่าเขายังไม่ตายต้องดับจิตนี่ก็ห้องดับจิตนี่แสดงไม่มีจิตแล้วใช่ไหมเวลาที่เกาวศพไปไว้ในห้องดับนี่แสดงว่าไม่มีจิตแล้วจิตไม่รับรู้แล้วถ้าจิตรับรู้ก็แสดงว่าเขายังยังมีเจ้าของอยู่ครับแล้วถ้าเกิดอแล้วถ้าเกิดสมมติคนไทยแบบนี้แล้วเราถอดเครื่องช่วยหายใจครับถ้าเขาสั่งนะว่าถ้า ถ้าอยู่ในในกติกาถอดไปก็ไม่ได้เป็นการฆ่าต่อเป็นการยุยติการการการรักษาเท่านั้นเองคือไม่ไว่าจะเป็นเครื่องช่วยหายใจแล้วว่าเครื่องอทัง น, นเป็นเครื่องเอถียมทั้งหลายเทปวิดรอสพอร์ตเนี่ยใช่ปล่อยให้เขาอยู่ตามธรรมชาติอย่านี้ไม่ไม่ไม่ได้เป็นการฆ่าคือแม้ว่าเ้าจะอยู่ต่อยังสามวทีก็ตามาใ ช, มใช่คือการทําให้เ้าตายกับการปล่อยให้เ้าตายนี่ต่างกันถ้าปล่อยให้เ้าตายนี่ไม่บาตร ถ้าทาให้เขาตายนี่บาถึงแม้ว่าเขาจะอยู่ต่ออีกสามนาทีก็ตามท่อครับก็แต่ละอย่างมันต้องหนตายไะขอดปั๊บถ้านก็ยังอยู่ได้อีกแล้วท่านก็ถึงเวลาแ้นะราะตาก็ดชวว่าเขายังเขายังไม่ตายแล้วเราไปทาวัยวะครัแล้วทาให้เขาตายนะมันนี้เราฆ่าเขาแล้วเราทาบาเราทาให้เขาตาย ความโล้ของคนมันก็เลยทําให้เสี่ยงกับการทําบาปแล้วก็ความหลงเมจะทําให้เราคิดว่าเรากำลังทําบุญช่วยเหลือชีวิตของผู้อื่นแต่เป็นการช่วยเหลือชีวิตแบบทำลายชีวิตของผู้อื่นแล้วเรื่องการการเรื่องการเอ า, อาวัยวะณนี่มันเสี่ยงต่อต่อศีลธรรธมพอสมควรอย่างน้อยมันก็เสี่ยงต่อกิเลสปัญหาอย่างแน่ๆน่ ผมเลิมเลิกทำไปหลายสิบปีแล้วครับเพราะไม่มั่นใจเพราะว่าเคยถามครู้าอาจาร์ครูปราจารย์ตอบสององค์ไม่ตรงกันผมก็เลยเลยไม่ไม่เข้าไปร่วมในในกระบวนการนั้นมันเกิดจากเกิดจากภาวะตันครับความอยากจะมีชีวิตอยู่ต่อไปก็เลยทำให้คิดค้นเรื่องการเอาอวัยวะของผู้อื่นมาแต่ไม่รอให้เขาตายก่อนบางทีก็กลายเป็นการค่าไปสาหรับแพทย์บางคน ถ้ามีคนให้เงินมากๆเขาก็อาจจะอาจจะก้าวล่วงศีลธรรมได้แต่ถ้าสมมติว่าทุกอย่างทำด้วยความบริสุทธิ์ใจตามสภาพความเป็นจริงนี้ก็ไม่เป็นปัญหาแล้วเป็นคนที่ตายแน่แน่แล้วไม่ฟื้นแล้วแล้วทีนี้อวัยวะจะเอาไปทำประโยชน์ที่ไหนกับใครก็เอาไปได้ถ้าเจ้าของเขาเขียนอนุญาตไว้ก่อนแล้วก็ไม่เป็นปัญหา คือจากศอกจากศอกใช่ไหมครับอาจจะตายเพียงในอันหนึ่งนาทีก็ก็ถ้ามันา่นใจว่าตายได้ก็เอาไปได้เลยไม่ใช่หรือทำไมมันไม่ใช้ไม่ได้เนี่ยต้องต้องต้องต่อนตา ย, ยถ้าเป็นถ้าเป็นตายนได้ครับหลวงพ่ อ, อถ้าเป็นตัวบางอย่างไม่ได้แก้วตาได้หัวใจตับปอดยังไม่ได้หัวใจอยู่ทํางานนี่ใช้ไม่ได้นะแอ่วคือมันคือมันจะต้องที่เขาทํากันเนี่ยก็คือว่าต้อง ตัดขณะที่ยังทำงานมยังเต้นอยู่ก็คือว่าเราเ้อมาเราต้องหยุดแล้วก็ต้องชีวิตหนึ่งวันให้จบชีวิตไม่ไหวคือหัวใจที่เราเอาไปเปลี่ยนนี่ยังเต้นอยู่นะขณะที่เราเอาไปนี่มันเหัวใจเราหยุดหัวใจฮะโดย preserve โดยโดยโดยโดยโดยน้ํายาพิเศษเหมือนกับว่าเําอนกับว่าเราผ่าตัดหัวใจธรรมดามันก็เหมือนว่า่าเราหยุดหัวใจเพื่อผ่าตัดหัวใจธรรมดาแล้วก็เอาไปเปลี่ยน เพราะว่าเป็นงั้นถ้าเกิดเซลล์มันขาดออกซิเจนเนี่มันก็จะตายตับเติบอะไรเงี้ยเหมือนกันตายมันเหมือนกันคล้ใกลกันคนที่ตายอยู่หัวใจห ย, ยุดทา ง, งานแล้วนี่หัวใจเขาไปทําไม่ได้นะทำไปทันทีไม่ได้มีนักโทษจีนนะนักโทษทหารที่เขาที่เขายิงปึ้งเลยแล้วเขาตัดเลย อ, อันนี้พอได้ต้องทันทีทันได้ ท, ทันทีทานใดทันทีทําใด ไม่เกินห้านาทีอะไรแต่ว่านี่ <c oughs> อันนี้เมื่อผมถามถึงเมื่อสักเซลว่ายี่สปีก่อนสมัยงังเรียนอยู่ก็คือว่าอาจารย์เขาให้เข้าไปทําแบบนี้แล้วผมก็ไม่มั่นใจผมถามคุณฝ่าอาจารย์สองท่านท่านตอบไม่ตรงกันอืมผมว่าทูลท่านบอกว่าท่านก็ตอบของท่านอาจารย์ผมก็เลยเริ่เลเข้าไปช่วยเลิกเข้าไปช่วยอาจารย์นะตั้งแต่ยี่สิบปีที่แล้วอืแต่ปัจจุบันมันก็มีกําลังมีโครงการที่จะต้องให้ทําโดยจะสวงอะไรเงี้ยผมก็เลย ก็เลยถามให้มั่นใจอครับเลยเราต้องให้ตายจริงๆก่อนไม่ใช่ตายด้วยคำนิยามที่เราตั้งขึ้นมากันครับแล้วถ้าถ้าสมองตายติดจริงแล้วหมายความว่าเขาหายใจเองไม่ได้เขาอยู่จิตเขาอยู่กับร่างโดยขณะที่ใส่เครื่องช่วยหายใจอืแล้วก็เราปิดเครื่องช่วยหายใจแปลว่าเราดีดรอสพอร์ตก็เหมือนลวเหมือนหลวงพ่อชาเนี่ยที่หลวงตา ท่านบอกให้ไปเอาสายออกหูตากออกเอาสายออกท่านใช้าสายเพช่วยหายเหมือนกันใช่ไหมท่านก็ใช้สายใช้เครื่องอะไรนกาใช่รืล่าสปู่าก็เหมือนกันปูาก็เหมือนใช่ไหมใช่หูตหาแล้วออกอีกชั่วโมงสามชั่วโมงตัวลชั่วโมงอีกชั่วโมงว่าิ้นค่สีแถบไม่เหมือนกันสีถบเป็คนไข้หายใจได้ไม่ไม่ได้อัดไม่ได้อัดอากาศเ้างในแต่ว่าถ้าเกิดอากาข้า า, างในนี่เป็นเครื่องช่วยหายใจ ซีแพดน lord, ี่มันแค่ไปเปิดไอตัวปอดให้เขาหายใจดีขึ้นนเอที่ย you know, ูเเป็นศพแล้วแต่ว่ากระเพื in, ่ออะคืยังไรก็ตามถ้าถ้าเราไปมีเครื่องเครื่องสนับสนุนให้เขาอยู่เนี่ยถ้าเราถอดเครื่องสนับสนุนออกนี่ไม่บบคือวิดรอช็อตพอได้ครัวรออตินว่าเวคอใช่ได้แต่ถ้าเราไปทาอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาหยุดหายใจให้เขาตายเนี่ยดาบบด ให่อย่างนี้อย่างสัตว์ทดลองอย่างนี้ค่ะก็บาปก็บาปนะค่าสัตว์ในการทำถ้าถอดแบบนี้แล้วก็จะประสงค์ที่จะไปพัฒนาในการฆ่าอย่างนี้ได้เพราที่นักเด็กบางคนเขาจะเรียนหมอแต่พอเขารี้ว่าต้องไปผ่ากรดาก็เลยเปลี่ยนใจเขาไม่เลี้ยงเขาเขาเขามีศิทธิ์และทำก็ไม่อยากจปนฆ่าสัตว์ใครเขาบางแห่งเขาบอกใช้ศพตายไม่ใช่ใช้กบตายได้ ก็มีอยู่มันคือมันไม่เหมือนกบจริงว่าไม่เหมือนกอบเป็นไครับอตอนนั้นก็ลาบากใจมากเลยครับอก็ให้คนอื่นทำแทนใครเงินท่านนี้เงาเอไว้รับเอาไว่าถ้ารับเอาไวว่านั้นไปไม่มีส่วนก่อนรับไม่มีส่วนอะไรทั้งนั้นถ้าถ้าเขาให้มาเหมือนกัรโยมาของมาถวายพระอย่างเงี้ยมจะมาขอมยมาเราก็ไม่รู้ละถ้าโยมไม่บอกี้ ถ้าบอกแล้วก็อาจจะว่าเราไม่เหมาะที่จะรับของโจรถ้าโยไม่บอกเราเช่นคนที่ฆ่าไก่แล้วทําแกงมาถวายพระเนี่ยถ้าไม่บอกว่าฆ่าไก่เพื่อทําแกงเจาะจงมาถวายพระนี้พระก็ฉันได้แต่ถ้าบอกก็ต้องก็รับไม่ได้หลวงพ่อครับในในในพระประเสธพุทธะนี่สามารถเกิดได้หลังจากพระพุทธเจ้าไปเรียกพายไหมครับก็ช่วงระหว่างที่พระพุทธเจ้า คือพระอานารย์ต่อสมาชิกุฎเจ้าประกาศพระศาสนานี่ mm hmm. ก็จะมีพระประเจกาปรากฏอยู่เรื่อยๆ เ, เพียงแต่ไม่มีใครรู้ไง mm hmm. เพราะท่านไม่ประกาศตนเองว่าเป็นพระพุทธเจ้า mm hmm. ท่านรู้เฉพาะตน mm hmm. แล้วเราก็แล้วก็เลยไม่รู้ว่ามีหรือไม่มีเข้าใจไหมแต่เมื่อมันก็ต้องมีเวลาที่ท่านปรากฏศไอ้ต้องต้องต้องมีช่วงไหนช่วงหนึ่งที่ท่านจะต้องโผล่ขึ้นมาเพียงแต่เราไม่รู้เท่านั้นเอง <Okay. S 1> แล้วช่วงนั้นก็ต้องเป็นช่วงที่ไม่มีพระพุทธศาสนาน เพราะท่าน ต, ต้องตัดสรุป ด, ด้วยตัวของท่านเองลงคนพบพระอริยสัจสีด้วยพระองค์เองดีวยตนเองแต่ถ้ามีศาสนาก็ท่านก็ไม่ได้ค้นคว้าหาเองท่านก็เอาตําราเก่ามามาลืียนม า, มาปฏิบัติตามเช่นพระอราันตาสาวงทั้งหลายนี้ท่านไม่ได้เรียกว่าเป็นพระมุทตจ้าเพราะว่าท่านไม่ได้เป็นผู้ค้นคิดพระอริยสัจสีด้วยพระองค์ด้วยตนเองอาศัยพะสระอริยสัจสีที่มีสอนอยู่แล้วเอามา เช่นในปัจจุบันจะไม่มีภาพปฏิกะจะเรียกพระปฏิกะไม่ได้ก็แล้วกันเครับาะว่าพถ้านอกจากว่าเขาอยู่ในประเทศที่ไม่มีพรพุทธศาสนาครับหรือไม่เคยได้ยินได้ฟังว่าพุทธศาสนามาเลยแล้วเขาสามารถเห็นอริยสัจสี่ข้นมาได้ด้วยตัวเขาเองเขาก็เป็นพระพุทธเจ้าได้อคืออาจเกิดได้แลอาจจะเกิดในขณะที่มีพุทธศาสนาในโลกนี้ก็ได้แต่เขาไปอยู่ในส่วนของโลกที่ไม่มีศาสนาไปถึง ฉันเป็นชาวป่าชาวเขาอยู่ในบราซิลในป่าบราซิลอย่างเงี้ยไม่เคยได้ยินได้ฟังเรื่องอริยสัจสีอะไรเลยแล้วตัวเขาใช้ปัญญาพิจารณาเห็นอริยสัจสีได้ตนเองเขาก็เป็นพระปฏิเจกับพระเจ้าไดา้แต่ถ้านุนุ่งเหลืองนี่ไม่น่าใช่หนระอครับมันไม่ได้อยู่ที่นุ่งเหลืองก็มไม่เหลืองเลยแต่มาถึงถ้าเป็นพระในพระพุทธศาสนามันก็ไม่น่าใช่เพราะพระรในที่บวชมาก็ต้องเรีย น, รยนธรรมะกัน<ะ>ทั้งนั้น ก็ต้องเรียนเรียนจากพระพุทธเจ้าเทนั้นอกจากบวชแล้วไม่เรียนแล้วมามาปฏิบัติเอ ง, เ อ, งอันนี้ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่มันก็ไม่สําคัญอาจจะเป็นปฏิ ก, กะหรือเป็นอาถรนพ์ผลมันก็เท่ากันผลเท่ากันคือนิพพานเท่ากันผลพ้นจากการเรียนว่า้ตายเกิดเท่ากันทางสมมติก็เป็นพุทธเจ้ามันเท่กว่านั้นเอง <c oughs> <c oughs> ถ้าอยากเป็นพุทธเจ้าแบบนี้ก็ถือว่าเป็นกิเลสแล้วไม่ใช่อันนี้ก็ยิ่งไม่ใช่ใหญ่เลยเคนบางคนบอกว่าเจอศาสนาพุทธแต่ไม่ปฏิบัติบอกว่าอยากจะเป็นพระพุทธเจ้าเองตอนนี้ขอสะสมบารมีไปก่อนอันนี้ก็ตกเข้าไปในทางของกิเลสร้อยเปอร์เซ็นต์กิเลส ไ, ไม่ต้องการให้เราทําลายมัน มันก็เลยบอกให้เรารอไปก่อนร <c oughs> อไปเป็นพรทศเจ้ธธาก่อนเ <c oughs> ดินสายพระโพธิสัต์ก่อนอก็ยังยังต้อปูบ้านท่านก็เคยถือเป็นโพธิสัตว์มาก่อนครับท่านก็เสียเวลากับการส่งเคาะโมคณะตอนถึงอายุกเกือบหกสนะิบนั้งท่านเดินปิกวิเวกไปอยู่ที่เชียงใหม่ปฏิบัติตามลําพังอยู่องค์เดียวช่วงอายุหกสิบถึงเจ็สบนี่ท่านปฏิบัติอยู่ที่เชียงใหม่กว่าท่านจะบรรลุท่านบรรลุตอนนั้นก่อนหน้านั้นท่านก็ห่วง ห่งคนโน้นคนนี้นลูกศิษย์ลูกหาเยอะมีคนมาศึกษาเพราตอนนั้นท่านก็มีสมาธิมีอะไรแต่ท่านไม่มีไม่มีไม่มีโลกุตรธรรมโลโกตรธรรมนี้ต้องอยู่คนเดียวต้องปิดเวทต้องเจริญปัญญาตุ่งทุ่มเทตลอดเวลาถ้ามาคอยสอนคนนั้นคนนี้มันก็จะไม่ไม่มีเวลาที่จะบรรลุได้ท่านเลยต้องไปปลิดเวททิ้งหมู่คณะไปอยู่ อยู่ตามลำพังทุดงในที่จังที่เชียงใหม่อยู่สิบปีพระครูบาอาจารย์ทั้งหลายต้องตามไปหาท่านตามไปที่เชียงใหม่ตามพอเจอท่านท่านก็หนีหรถ้าอยู่ด้วยกันก็ให้อยู่แค่ช่วงจำพรรษาเท่า น, น, นั้นปอกพรรษาท่านก็แยกทากงกันไปผมเชื่อว่าท่านบรรลุาอาย่มากกว่นี้ถ้าตามประวัติที่ท่าเขียนนะว่าเขียนว่าท่านบรรลุที่เชียงใหม่ แล้วก็ช่วงนั้นก็ช่วงอายุ 60-70 เพอท่านบรรลุลอายุ70ท่านยกคุณธรรมเจีย์ที่เป็นลูกศิของหลวงตูม่นก็มาอาราธานาให้ท่านช่วยไปเกิด <c oughs> ยาติพี่น้องยาติแถวทางภาคอีสานท่านก็เลยกลับมาไปอยู่แถวสกลคนครอยู่ประมาณถึงอายุถึงอายุ80 <c oughs> จนนั้นก็มีครูบาอาจารย์ไปศึกษากับท่านกันมาก หลวงตานี่ก็อยู่ในยุคนั้นหลวงตาหลวงปู่ร่าอาจารย์วันอาจารย์อะไรต่างๆ่านี้คือจะเป็นเป็นพระพุทธเจ้าหรือเป็นพระอาหารหันต์ภาษาวกมันก็ถึงนิพพานเท่ากันที่ต้องเป็นพระพุทธเจ้าผมไม่มีใครสอน ที่พระพุทธเจ้าไปศึกษากับอาจารย์สองรูปก็ท่านก็นสอนได้แค่ระดับฌานสมาบัติขั้นรู ป, ปรชาญขั้นอรูปฌปานแต่ไม่สามารถสอนเรื่องโอลกกตระธรรมได้คือไม่สามารถสอนให้บรรลุปเป็นโสดาเป็นสติดาคามีอานาคามีเป็นอรหันต์ได้เพราะไม่มีใครรู้คำว่าอนัตตา ไม่มีใครรู้คำว่าอ น, นิจจัง อ, อ, อ, อริยรรสัจสี่ทุกสมุทัยนี้ลดมา เ, เขาถึงได้ต้องค้น ค, นคว้าหาด้วยตัวเองอเก็ไป พ, พบคำตอบในคืนวันเพ็ญเดือนหกนะที่นั่งอยู่ใต้ต้นโพนั่นแะวันที่ท่านได้พบอริยรรสัจสี่ได้พบสัพเพ昙ธธมาน ต, ตาหลังนะจากนั้นท่านก็เลยเอามาเอาความรู้นี้มาสอน พอคนได้ยินฟังครั้งแรกก็บรรลุกันได้เลยง่ายมากพอมีคนรู้บอกปั๊บนี่คนที่มีมีสมาธิอยู่แล้วก็สามารถน้อมเอาไปปฏิบัติได้เลยแสดงถามครั้งแรกก็มีพระโสดาบนปรากฏขึ้นมาก่อนเนี่ยพระอัญญากคุณทานยะแสดงอีกครัง้งสองครั้งก็มีพระอรหันห้ารูปขึ้นมาเลยพระกัญจวัคีทั้งห้าได้บรรลุพอแสดงเรื่องอนัตตลักษณสือ ว่าสัพเพ昙มานักตายผมาครับแ้ถ้าเกิดปัจจุบันเราก็เราไม่เห็นเราก็คิดช่วยบางครั้งได้ก่อนเช่นสมมติเรามองเห็นเราก็าต้องคิ ด, คดไปเรื่อยๆก่อนเพื<ม>่อเป็นการเป็นกา ร, เ, การเหมือนกับเปิดหูเปิดตาเราเดินสติเราว่ า, อ, าอย่าไปหลงกับสิ่งตา่างๆให้รู้ว่าปัญหาของเราอยู่ที่ตรงไหน แต่เรายังเพียงแต่รู้จุดแต่เรายังไม่มีกําลังที่จะไปแก้ปัญหานั้นปัญหาของเราอยู่ในใจเราเกิดจากความอยากของเราแต่ตอนนี้เราไม่มีกําลังที่จะหยุดความอยากของเรานั้เราต้องสร้างเครื่องมือก็คือสติสมาธิและปัญญาขึ้นมาเราจะสร้างเครื่องมือได้ก็ต้องไม่ยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของการหาเงินหาทองการใช้เงินใช้ทอง เขาจะไม่มีเวลาถ้าไปหาเงินใช้เงินมันก็จะไม่มีเวลามาปฏิบัติจัดการสติสมาธิปัญญาได้แต่ว่าเขาบความอยากแต่ตัวเช่นสมมติเกิดอยากเปิดตู้เย็นกินขนมเนี่ยนะแล้วถ้าเราสามารถเปรียนตัวเองได้ไปเรื่อยๆออย่างนี้มันจะเป็นการมันก็ตัดกําลังลงไปตัดกําลังลงไปแล้วถ้ามันจะตัดได้อย่างเขาวานต้องเห็นว่ามันเป็นความทุกขเวลาไปเปิดตัวเย็นนี่มันมันไม่ใช่ไปหาความสุขมันไปหาความทุกข์ เพราะปหายาเสพติดก็นังคนเราที่เราไม่เสพยาเสพติดเพราะอะไรเพราะเรารู้ว่ามันทุกข์มากกว่าสุข mm hmm. เราก็ต้องเห็นว่ารูปเสียงกลิ่นรสทั้งหมดนีมนมน่มันก็เป็นเป็นยาเสพติดทั้งนั้นแห ล, ละแต่เรายังแบ่งว่าอันนี้เป็นยาเสพติดอันนี้ไม่ใช่เป็นญาเสพติดแต่เราก็เสพติดเหมือนกาแฟนี่เราพอกินแล้วเราหยุดไม่ได้คบเป๊ปซ mm ี hmm. ok ่ <pe> นี่เดิมแล้วหยุดไม่ได้ข mm hmm. นมนมเนยเคยกินแล้วหยุดไม่ได้ เราก็ตัดใจให้เปิดตูเ้เย็นเลยนะครับเราก็ก็อยู่แบบพากไง<ห>แบบบินสบายให้ภรรยาจัดอาหารให้กินก็ได <c oughs> <ๆ c oughs>้ถึงว่าเอา <c oughs> เค่ไหนแคอไแล้วกินเวลาเดียวหรือกินตามตามเวลา <c oughs> ให้กินเ <c oughs> หมือนกินยาระหว่างมื้อก็ไม่ให้กินอะไรเลยไม่ให้ดื่อะไรนอกน้ําปลา่า <c oughs> อย่างนันถึงจะตาัดการมาตัญหาได้ฟังกันที่ก็รทนใจเลย การฟังอะมันง่ายแต่การทำอะมันยากใช่ไหมฮะแต่ทำถ้าทำได้ก็สบายนะต่อไปก็ได้ไม่ต้องยุ่งกับเรื่องราวเหล่านี้ถึงเวลาก็กินไม่ถึงเวลาก็ไม่กินไม่เดือดร้อนไม่ต้องคอยไปหามาเติมอยู่เรื่อยตู้เย็นนี่ต้องคอยหามาเติมอยู่เรื่อยต่อไปรับรอ ง, องตู้เย็นนี่จะว่ามีแต่น้ำเปล่าอย่างเดียว อยมก็คาใจอยู่ค่ะทำก่อนไม่กินเดี๋ยก็มันเนี้ยก็หมดอายุเสื่อมเลยกินกำจัดทั้งสินพอหมดแล้วก็ต้องไปซื้อมาเติมใหม่ก็ลรางทำดูอย่างน้อยก็เอาถือศีลแปดวันะหนก่อนอาทิตย์ละหนก่อนก็แล้วกันพระพุเจ้ากำหนดวันภาคขึ้นมาก็เพื่อให้เราได้มา มาชิมรางมาชิมรถแห่งธรรมทั้งวันหนึ่งหกวันเราชิมแต่รถของโลกวันที่ถันี้เรามาชิมรถของธรรมบ้างมาเอาความสุขเย็นบ้างล้วแต่สุกร้อนมาหกวันแล้ววันนี้เราจะมาเอาสุขเย็นท่าหนึ่งวันถือสิแต่เนี่ยแล้วลลถือสิงแต่แล้วก็ต้องภาวนา้วยหยุดทำงานเลยดีกว่าถ้าเป็นไปได้ อยู่คนเดียวเลยวันนั้นแยกกันอยู่แอกเป็นสามีภรรยาก็แยกกันอยู่ไปเช่าห้องพักหรือไปเช่าคอนโดที่ไหนอยู่คนเดียวขังตัวเองไว้ก็ได้เรื่อมาอยู่วัดก็ได้ไปหาวัดที่ไหนที่เงียบๆเงบองมาอยู่ที่นี่ก่อนก็ได้ข้างล่างก็อยู่ได้มีกุฏิพอที่จะจัดให้ได้ข้างบนนี้คงจะยากหน่อยเพราะมันเต็มแลวก็ลาบาก มังน้ำไฟไม่สะดวกแต่ข้างล่างนี้ยังสะดวกยังพอที่อยู่ตามลำพังได้ไม่รักษาสีแปดได้ภาวนาได้ลองทําดูสิทำแน้ามันถึงจะคืบหน้าถ้าไม่ทํามันก็ติดอยู่แนั้นแหละถ้าทำแล้วต่อไปมันก็คืบหน้าไปเรื่อยๆเหมือนกับการเดินทางมันต้องมีก้าวแรกถึงยอมันถึงจะไปได้ถ้าก้าวแรกไม่ก้าวมันก็ก้าวที่สองก็ตามมาไม่ได้ก้าวที่สามก้าวที่สี่ก็ตามมาไม่ได้ ถ้าเราเริ่มทำแล้วต่อไปมันก็ทําได้ทุกอาทิตย์พอทําได้ทุกอาทิตย์ต่อไปก็อาจจะเพิ่มเป็นอาทิตย์ละสามวันอาทิตย์ละห้าวันหรือบางช่วงบางเวลาไม่ไม่มีเวลาว่างไม่ต้องทํางานก็ก็ปฏิบัติมันแทนที่จะไปเที่ยวห้าวันเจ็ดวั น, ท, น, นที่นู่นที่นี่ก็เอาไปปฏิบัติทําดีกว่าถ้าปฏิบัติได้นะมันจะติดใจมันจะชอบเพราะเป็นความสุขที่มีความดื่ดดื่นใจกว่าความสุขอยอื่น ไม่ต้องเป็นวันพระเป็นวันทิศได้มาวันไหนก็ได้เพราะว่าวันพระนี่ก็เป็นวันหยุดไงสมัยสมัยก่อนแล้วก็ใช้ปฏิทินทางจันทรคติมันก็มีขึ้นแรงแต่วันจริงรก็เป็นวันหยุดทํางานของชาวบ้านนี่เองรวันนั้นให้วันชาวบ้านหยุดทําไรถ่ายนาสักหนึ่งวันให้เข้าวัดกันถือศีลนุโบสถก็ให้ไปนอนในวัดกันพวกที่ก็ถือศีลนุโบสดก็ถือศีลแปดแล้วก็ไม่กลับบ้านเพราะถ้ากลับบ้านนะเดี๋ยวมันอยู่ใกล้รูปเสียงกลิ่นลด ก็ไปนอนในโบสถ์กันทำเนียงของชาวบ้านแถวนี้เวลาวันพระก็จะไปนอนที่วัดกันไปนั่งสวดบนฟังเทศฟังธรรมกันแล้วก็นอนที่วัดพอเช้ามืดก็ค่อยกลับบ้านอกลับบ้านเช้ามืดนะ ก, ก็หมดงเขาเขาเขรักษาแค่นั้นเหมือนวักษาหนึ่งคืนกันหนึ่งวันวันของของทางศาสนาที่จะเริ่มต้นที่สว่างเยเีช้ามืดเพอะสว่างปั๊บถือว่าเป็นวันใหม่แล้ว เราไม่ได้รักษาแบบรักษาคนที่เริ่มต้นที่เวลาหลังเที่งคืนไปแล้วถ้าถือว่างานพากก็ฉันมาม่าได้เลยพอหลังที่งคืนไปแล้วก็ถ้ามาหนึ่งคืนหนึ่งวันนี้เขาที่ล่างมาไม่ได้ได้ไหมครับเราถ้ามีกฎดีว่าเราจะจัดให้ได้ผู้ชายผู้หญิงแกกัน ผู้หญิงมีที่ผู้หญิงต้องไปติดที่ที่ผู้หญิงอาจจะยากหน่อยเพราะที่นั่นเขาบังคับให้อยู่อย่างน้อยสามคืนสามวันอย่างต่ําแต่ถ้าอาจจะคุยกับเขาอาจจะอธิบายให้เขาฟังเขากอาจจะอนุโลมให้ได้กำลังไปติดต่อที่สำนักงานของของข้างล่างถางเขาว่าถ้าผู้หญิงจะมาทักจะให้ทำอย่างไรจะมาอยู่คืนนึงได้ไหมเพราะว่าต้องทํางาน ที่กขาต้องมองการก็คือเขากลัวคนจะมาใช้วัดเป็นที่หลับนอนเวลามาเที่ยวพัทยาง่ายเกินเลยเขาก็เลยต้องกาหนดว่าอย่างน้อยต้องอยู่สักสามสามวันสามคืนแต่ถ้าเรามีเหตุผลอธิบายกขาฟังนี้เขารับได้เขาคงจะอนุโลมได้แต่บางคนนี่เขาก็มาเช่าหอพักแถวนี้อยู่กันก็มีมีลูกศิษย์คนหนึ่งก็มาเช่าหอพักอยู่เป็นเดือนทิ้งไว้เลย วันไหนข้อว่างเขาก็มาอยู่แล้วเขามีปัญหาอะไรตอนเช้าเขาก็มาหาเราที่ศาลามาปรึกษามาฟังเทศฟังธรรมแล้วก็ขังตัวเองบางทีปฏิบัติเก้าหน้าแล้วก็อดข้าวเลยไม่กินเลยบางวันก็ไม่กินมันต้องมีอะไรทรมานใจมันถึงกระตุ้นความเพียรถ้ามันอยู่อย่างสงบอย่างสบายมันก็ไม่ต้อง เขียนเพราะว่ามันสบายพอมันมีอะไรมีปัญหามีความทุกข์ใจนี้ไม่ต้องภาวนามันถึงจะดับความทุกข์ใจได้ความหิวนี้ก็ทําให้เกิดความทุกข์ใจได้โอดข้าวนี้ก็จะทําให้เกิดความทุกข์ใจได้ถ้าภาวนาดับความทุกดับความทุกได้ดับความหิวได้ความทุกข์ใจก็หายไปก็มันก็จะบังคับให้เราภาวนาเหมือนกันถ้าเราไม่ ถ้าเราสบายเราก็ไม่หายาใช่ไหมแต่ถ้าเราปวดหัวปั๊บนี่เราจะควานหายาทันทีอย่างไรถ้าเราอยู่อย่างสุขสบายไม่ทุกนี่เราก็ไม่ไม่ขวนขวายในเรื่องการภาวนาแต่พอเราทุกปั๊บนี่เราต้องขวนขวายหาหายาการภาวนานี่ก็เป็นยาเพื่อที่มารักษาใจนักภาวนาก็ถึงนี่ต้องสร้างเหตุขึ้นมาให้เกิดความทุกข์ใจบางคนก็ถือในสัตว์ชิกนี่ก็เป็นการสร้างความทุกข์ใจ ให้อยู่ในสามิรยาบทแม่ให้นอนเลให้ไปอยู่ในที่เปี่ยวๆที่น่ากลัวอย่างเงี้ยความทุกข์ใจก็จะเกิดอยู่ในที่กันดารอย่างเช่นอยู่ห่างไกลจากแสงสีเสียงรูปเสียงกิีดตอนนี้ความทุกข์ใจก็จะเกิดแล้วเรามีตู้เย็นนะครับมันก็นำภาวนาอย่างเดียวมันถึงจะสงบมันดึงจะหายทุกข์ได้ เนี่นแต่ละคนมันมีขั้นตอนของการทรมานต่างกั <c oughs> นบางตอนก็สิ 8, 8, ้นแปดแต่พื้นก่อนพอสิ้นแปดทานไม่ได้ต่อไปก็มือม้อเดียวถกินข้าวมื้อเดียวตลังจากนั้นก็อดบ้างก็ได้สองสามวันขั้นมากินสักครั้งหนึ่ง <c oughs> ถ้าถูกถ้าถูกจริตการอดอาหารมันก็จะช่วยกระตุ้นการภาวนา <c oughs> บางคนก็ใช้ไม่ได้ก็ใช้เนสต์ชิฟแทนไม่นอนตั้งอยู่ใน จะอยู่อยู่ในสามอีเดียอีเดียบทเดินยืนกับนั่งถ้าจะหลับก็ให้มันหลับอยู่ในท่าใดท่าหนึ่งนั้นมันจะได้หลับไม่นานเป้าหมายก็คือจะได้ไม่นอนมากจะได้ภาวนามากๆแต่บางคนไม่ถูกจริญดอย่างหลวงตาท่านบอกท่านไม่ถูกจริญกันในสัตจคติแต่ท่าน ถ, ถูกเจริญกับการอดก า, ารลูกสิษองท่านก็เลยอดอาหาตามไปไม่นามีใครในสัตว์ชิกัน แต่แล้วอาจารย์ท่านมีจริตไม่เหมือนกันแล้วแต่เราต้องหาอาหาอุบายนะที่ถูกจริตกับเราบางคนถ้าอดอาหารแล้วฟุ้งซ่านคิดแต่เรื่องอาหารน้ำ ล, ลายไหลตลอดเวลา <c oughs> นี่ก็อดไม่ได้ต ก, กันบางคนก็ต้องไปอยู่ที่น่ากลัวที่เปี่ยวๆ <c oughs> ไม่จะได้บังคับให้ภาเนะีายเวลากลัวนี่มันต้องต้องพุโทโธพุโทโธแล้ว <c oughs> <c oughs> ผมครับ <Okay. S 2> จะเรียนถามว่าผมไปปฏิบัติธรรมที่วัดวัดหนึ่งแล้วก็มีโยมผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยเขาแนะนําไปนะครับไปปฏิบัติดึกสามวันก็เจลาพระอาจารย์กลับอันนี้ขณะที่จะลาพระอาจารย์กลับเนี่ยผมกับผู้หญิงโยมที่แนะนําเนี่ยไปกราบลาพระอาจารย์แล้วมีพระรูปหนึ่งจะขออาศัยรถผมกลับ ผมก็เลยคุยกับพระอาจารย์เสร็จปุ๊บผมก็ลาพระอาจารย์ออกมาเลยทำให้ครับเนี่ยท่านอยู่กับโยมผู้หญิงคนนั้นเนี่ยผมจะเป็นต้นเหตุที่ทำให้ท่านอบาบัติึกดครับแล้วผมควรจะทำยังไงกับเรื่องนี้คือถ้าเรามีความจาเป็นจะต้องไปเราก็ไป ผมกับลาท่านโดยบอกท่านแต่ว่าโยมผู้หญิงคนนั้นเขายังคุยกับพระลูกนั้นอยู่ก็พระถ้าท่านรู้วินัยท่านก็บอกให้โยมผู้หญิงกลับไปด้วยมันก็จบมันก็ไม่เกยนท่านไม่ได้บอ ก, อบอกให้กลับเลยถ้าไม่ให้กลับผมเองก็เป็นต้นเหตุผมก็ให้สบายใจว่าคุณไม่ได้เป็นต้นเหตุเหตุห อ, ห อ, ห อ, ห อ, อยู่ที่พระพระพระอาจาบาตรแม่อาบาตรอยู่ที่ท่านไม่ได้อยู่ที่เราผมควัจะทําเรื่องนี้ยังไงครับก็ไม่เวลาเราก็กลับถ้าท่านรู้เราจะกลับ กับถ้าท่านรู้วินานถ้ากระบรรยวีกลับไปด้วยก็ <ผม S 1> จบไ ม, ไม่ต้องขออะไระคุณไม่ได้ทาความผิดอะไรความผิดอยู่ที่ผ้าต่างหากแล้วถ้าหากว่าเป็นข้าราชการรับบำนาญอยู่เนี่ยถ้าหากว่าต้องการจะบวชควรจะจัดการยังไงกับเรื่องบำนาญครับบำนาญก็ยกให้ใครไปก็ได้ ถ้าเราเราเอาเข้าวัดได้ไหมครับหรือไม่ได้จะมอบให้กับใครก็ได้แต่ต้องอให้กับคนที่ไม่เกี่ยวกับตัวเราไม่จํา<ห>เป็นภรรยาก็ได้ลูกก็ได้ใครก็ได้เป็นมรกดกไปเป็นเหมือนมรกดกไปให้ใครก็ได้เท่านั้นหรือสมัยนี้จะเก็บไว้ก็ได้ถ้าเราทําใจไม่ไปยุ่งกับมันได้ถ้าเก็บแล้วเอามาทําบุญในวัดได้ไหมครับได้เอามาทําประโยชน์อะไรต่อไปก็ได้ข้อปัญหาคือเราอย่าไปยุ่งกับมัน อย่าไปใช้มันอย่าไปกังวลกับมันคืออยาก ใ, ให้มันมาเป็น อ, อยากให้มันมาเป็นอุปสรรคต่อการภาวนาแต่ถ้าเราเก็บไว้เผื่อทางวัดทางข้างโอกาสข้างหน้าเราอาจจะไปอยู่ที่กันดารแล้วทางวัดเขาขาดนู่นขาดนี่ล้วก็ใช้เงินนี้ช่วยในการแก้ปัญหาก็ได้ไม่เป็นปัญหาแต่เราเราอย่าทำให้มันทาให้เราต้องกังวลแล้วทาให้เราภาวนาไม่ได้ก็แล้วกัน ถ้าเรากังวลเราอยากไม่อยากจะยุ่งกับมันก็มอบให้คนอื่นไปมันจะได้จบมันจะได้หมดไปจากใจเรา<ม>เราอยา่าเราอยา่ามาอาบวชแล้วต้องมายุ่งกับการจัดการใช้เงิ น, เ ง, น, เ, งนเงินก้อนเงินกนี้อันนี้จะทำให้เราเสียเวลามไม่ได้ภาวนา<ม>แต่ถ้ามีสำรองไว้เผื่อใช้ในกรณีฉุกเฉินจาเป็นอย่างนี้<ม>ก็ไม่เป็นไร<ม>เช่นคนอาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วไม่มีใครดูแล คนก็อาจจะใช้ปัจจัยในสำหรับใช้ในการดูแลเงินก็ได้เงินมันจะเข้าผ่านทางบัญชีก็เก็บไว้ได้ได้ได้แต่ว่าเราไม่ต้องไปยุ่งกับมันใช่ยังไปยุ่งกับมันถ้าจะใช้ก็เอามาใช้ในกิจกรรมของวัดของว<อ>ัดหรือของสัมาณะที่เหมาะกับสัมมาณะ <c oughs> คือปัจจัยสี่เราอาจจะขาดแคลนอะไรขาดยาแล้วก็ซื้อยามาก็ได้คนคนกินบำนาญที่ปีหนึงก็ต้องเปรายงานตัวครั้งนึ่ง แล้วต้งเปลี่ยนพระสีก็ไปรางานตัวครั้งหนึ่งว่ายังมีชีวิตอยู่ก็เห็นว่ามันเป็นปัญหาท่าเราเป็นพระเราก็ไปได้ก็ไม่เป็นไรทางทางกฎหมายเขาไม่ถือว่าเราเราถือว่าเป็นคนคนเดียวกันยังถือว่าเป็นคนคนเดียวกันแต่ถ้าเราต้องการที่จะตัดปัญหานี้ไปก็ยกให้คนอื่นไปเลยแล้วก็ไปตายดาว่าเอน้ครูบาอาจารย์ส่วนใหญ่ท่านก็ไม่เอาอะไรเลยไม่เอาไปเลย อย่างหลวงปู่พรอมนี่ท่านมีสมบัติอะไรก็ยกให้ชาวบ้านไปหมดเลยมีเศรษฐีด้วย ม, มีนามีวัวมีควาย ม, มีบ้านมีอะไรท่านก็แากจ่ายคนไปแล้วท่านกับภรรยาท่านก็ไปบวชกัน <c oughs> ไม่ต้องกลัวบวชแล้วเรื่องปัจจัยขี่นี้มีคนดูแลเราเสมอขอให้เราปฏิบัติดีปฏิบัติชาอบตรง น, นั้น หรือไปอยู่ก่บครูบ า, าอบาจารย์ก็ครูบาอาจารย์ท่านจะดูแลเราไม่มีดีจะได้หมดปัญหาไปถ้ามีแล้วบางทีกิเลสของเรามันก็จะมาย่วโยวนกวนใจเราไปทอดพระปาที่นู่นดีไหมเดี๋ยวก็จะมีมีเรื่องให้ออกเดินทางไปออกนอกวัดไปถ้าไม่มีก็จบ พอใจนี่มันอยากจะออกเนะ่พอบวชแล้วอยากก่าไปคิดว่าจะไปอยู่วัดได้ตลอดนะอใหม่ๆมันจะอยู่ได้ปีสองปีนี่มันยังอยู่ได้แต่พอความเพียรมันอ่อนลงแล้วผลไม่คืบหน้าเนี่บางทีกิเลสมันก็จะออกมาหลอกล่อเราได้เราต้องไปอยู่กับอาจารย์ที่ท่านเข่งไม่ให้ออกไปนะอย่างหลวงตานี่บวชใหม่นี่ห้าปีถ้าไม่ให้ไปไหนถ้าจะอยู่กับท่านนะถ้าไปโดยที่ท่านไม่เห็นด้วยนี่ไปแล้วก็อยากกลับมานะท่านบอก ผมบอกครับอย่างศีล227ข้อเนี่ยถ้าหากว่าเราบวชเป็นกระแล้วเรารักษาไม่ได้ครบเนี่ยเราจะไปอบายนะครับคือศีลที่จริงๆของฟ้านี่มีแค่4ข้อที่จะทําให้ไปอบายก็คือปาราชิก4ข้อ4เออส่วนศีลอย่างอื่นนี้คือยังแก้ได้ครับถ้าเกิดปลงอาบัติไม่ทํานีก่ก็ปลงก็ปงได้ทีหลังก็ได้ เคยมีเรื่องเล่าว่าพระไปภาคสลายแล้วต้องไปอภัยนะครับไปก็ไปแต่มันจะไปินทำไงได้ถ้ามันจะต้องไปก็ต้องไปแลงั้นเวลาบวชแล้วก็ต้องพยายามรักษาศีลให้บ่อยสุดที่สุดเท่าที่จะรักษาได้ อย่าไปวิตกกังวลมากเจนก็จนทําให้ไม่กล้าบวชนะครันอังตนี้ก็คิดอยู่อันนั้นก็ไม่เป็นกักษาอันนั้นก็เป็นกิเลสตัวหนึ่งกินลสันจะรักษาไม่ได้แล้วไปแล้วากิเลสตัวนี้มันก็จะคอยกีดกันไม่ให้เราบวชโดยอ้างว่ากลัวจะรักษาไม่ได้รักษาไม่เถอดไม่เป็นไรหรอกอย่าไปผิดสี่ข้อใหญ่ก็แล้วกันประลาชิกสิ่งนี้ก็ นอาะนะสี่โมงคึ่งแล้วจบจริงๆแล้วทีนี้